มีใครมีประเด็นอะไรไหมนในวัดนี้ไม่มีโบสเหรอไม่มีมมเมนเมนผู้เจ้าไม่ได้บัญญัตนะิะตรงไหนเป็นเมนก็ได้นะส่วนโบสก็แล้วแต่คณะสงชี้คณะสงฆ์จะชี้ตรงลางสนามหญ้านี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ถ้าคณะสงฆ์เห็นว่าสถานที่ ตรงไหนเนี่ยเหมาะในการที่จะนั่งสวดปฏิโมขบทวนศีลอันเป็นเบือเบ้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็ใช้ที่นั่นเล็กที่นั่นว่าเป็นโบสถ์คือที่ที่ใช้ลงอุโบสถพูดไปพูดไปก็เป็นโบสถ์ไปที่ที่ลงอุโบสถเราก็ใช้ทุกที่บางทีก็ลงอุโบสถ ก, กลางกางสนามหญ้า ช่วงหน้าหนาวนาะแดบดบล่มๆหน่อยายับเมื่อสู้ฟังีดีอยู่ตอนบอกว่าการเเป็นราชการก็่อกรรมการิหาอกรรมเลยอย่าง้า่อะไรที่พระเจ้าว่าต้องเกิดมาต้องเป็นหาอ่ายังไม่เจอเหมือนกันนะ <c oughs> ยังไม่เจอ เดี๋ยวไว้ไวสืบคนเจอได้แล้วเดี๋ยวจ ะ, จะอาจจะขึ้นเว็บบอกให้นะใช่มีมีในพุทธศาสนาครูเจ้าบอกคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพราหม์ก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าวานิชก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมอยู่ในปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์ที่ท่านผู้ท่านรวบรวมเอาไว้ อ่าไม่อไม่แล้วแต่คือคนเรานี่เคยเกิดเป็นแทบทุกสาขาอาชีพแล้วก็เคยเกิดกันแทบทุกภพผู้เจ้าบอกพวกเราเนี่ยเคยรวยเคยเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานไม่ใช่แค่ชาติเดียวหลายชาติมากเคยเป็นคนจนเคยเป็นเดลชานมาแล้วตลอดการยาวนานก็เป็นมาแล้วไม่ไม่ใช่แต่อาชีพเท่านั้นแทบแทบจะทุกภพทุกชาติเลย พระอาจารย์ให้ทําได้ในกรณีของการทําทานเนี่ยมันจะมีกรณีที่โดยปกติทานทั่วไปที่มีผู้รับเนี่ยถ้าตั้งจิตอุทิศบุญบุศลหรือแผ่เมตตานเนี่ยก็จะถึงหมดแต่จะมีกรณีเดียวที่ตัดไว้กับชานุสโณนีที่ชานุสโณนีก็ถามพระเจ้า ว, ว่าญาติเขาเพิ่งตายไปเนแล้วเขาก็ทําทานแต่ก็ทําทานแบบว่าเนี่ยเราไปตั้งไว้แบบ การแจ้งอ่ะใครจะกินก็กินอย่างนี้ทานที่ไม่มีไม่มีผู้รับเขาก็บอกว่าญาติผู้ล่งรับของเขาจะได้ไหมผู้เจ้าบอกได้ในฐานะไม่ได้ในอฐานะเขาก็สงสัยว่าฐานะคืออะไรอัฐานะคืออะไรผู้เจ้าเลยบอกว่าถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเทวดามีอาหารของเทวดาฐานนี้จะไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์ฐานนี้ก็ไม่ได้ ถาญ <Geb manifestations, S 1> าติเธอไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานก็มีอาหารของเดรัจฉานทานที่เธอให้นี้ก็ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นสันนรกษณ์สันนลกก็มีอาหารของสันนลกทานนี้ไม่ได้แต่ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยทานนี้จะได้ดังนั้นถ้าเราทําทานโดยไม่มีผู้รับเนี่ยการอุทิศบุญบุญส่จะได้แก่ญาติผู้ล่วงรับของเราเฉพาะเปรตเท่านั้นเขาก็ถามว่าถ้าเกิดญาติที่ล่วงรับเขาเนี่ยไม่ไปเกิดเป็นเปรตนลเราใครจะได้ผู้เจ้าบอกว่า ญาติเราอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้ชานุโสณีก็บอกถ้าญาติที่ร่วงลับไม่เป็นเปรตญาติญาติเราอื่นก็ไม่เป็นเปรตแล้วใครจะได้พระุทธเจ้าบอกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่ญาติของเธอสักคนที่ไม่ไม่หลงเหลือเป็นเปรตเนี่ยไม่มีมีแน่นอนต้องมีสักคนหนึ่งแสดงว่าญาติพี่น้องของเราต้องมีสักคนหนึ่งที่ยังเป็นเปรตอยู่นั้นทาทานเนี่ยต้องได้อยู่แล้ว ใช่ใช่ถ้าเป็ น, ปนอย่างนั้น ก, ก็ไม่ได้ใช่เราต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขามีการถวายข้าวพระพุทธเนี่ยเป็นประเด็นที่ถวายข้าวพระพุทธไม่มีพระุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินะเพราะว่าพระพุทธรูปนี่พุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติ ด, ด้วยนะเพราะพระพุทธเจ้าให้ใช้พระธรรมเป็นาศาสดาแทนนะจริงเราต้องมีหนังสือธรรมะอยู่บนพิง ถึงจะถูกต้อง่างแบบนั้นเวลาคนถามว่าสร้างพระพุทธรูปแล้วมีอ น, นิสงฆ์ไหมตอบไม่ได้เพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติว่าสร้างพระพุทธรูปแล้วมีอ น, นิสง์อย่างนี้แต่สร้างกุฏิวิหารมีอ น, นิสง์ถวายแผ่นดินถวายข้าวน้ำผ้ายดยานระเบียบของหองเครื่องรูปไา้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปลมไฟ มีนสงหมดวัดกับสนักสงฆ์ีต่างกันเป็นการบัญญัติโดยกฎหมายที่เราบัญญัติขึ้นเองใช่ในกฎหมายเนี่ยที่ที่พะไปอยู่เนี่ยเขาจะเรียกที่พักสงฆ์แล้วที่พักสงฆ์นั้นที่กำลังทำเรื่องขออนุญาตขึ้นเป็นวัดจะถูกเรียกว่าสานักสงฆ์เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถูกเรียกว่าวัด การขออนุญาตตามกฎหมายจะมี2ขั้นตอนคือ1ขออนุญาตสร้างได้รับอนุญาตมาแล้วก็ทําการสร้างวัดแล้วขออนุญาตตั้งวัดอีกทีจะได้ชื่อวัดออกมาก็จะเป็นวัดที่สมบูรณ์นะแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์มีอีก1ขั้นตอนคือกฎหมายจะต้องบอกว่าไปขอวิสุงคามสีมาขอให้เป็นโบสถ์นะ นี่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นขั้นตอนพวกนี้ในวินัยไม่มีนะกฎหมายไปเพิ่มเติมเอาเองก็จริงๆไม่มีความจําเป็นต้องทําก็ได้นะแต่ที่นี่ญาติโยมเขาอยากให้เป็นก็เราก็ทําไปก็เป็นวัดตั้งแต่ปีสี่สี่แล้วผู้เจ้าได้กล่าวกับภิกษุณีไว้ว่าอย่างไรผู้เจ้าได้กล่าวกับภิกษุณีว่ายังไงก็คือถ้ามีภิกษุณีแล้วเนี่ยาศาสนาจะอายุลดลงไปครึ่งหนึ่ง แต่ผู้เจ้าก็ตั้งขรุธรรมประการมาเพื่อป้องกันเหตุนี้แล้วดังนั้นก็คือพิสุนีก็มีได้เพราะผู้เจ้าอนุญาตไปแล้วผู้เจ้าเนี่ยเหตุก็คือนางประชาบดีเนี่ยมาขอผู้เจ้าเนี่ยครั้งผู้เจ้าห้ามทั้งสามครั้งก็ไปร้องไห้เสียใจยพระนลไปเห็นก็เลยมาขอผู้เจ้าแทนให้อีก3ครั้งผู้เจ้าปฏิเสธหมด พระนนก็พยายามคิดหาวิธีว่าเอ๊ะจะขอยยังไงก็เลยถามผู้เจ้าว่าถ้าสติเนี่ยออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตในพุทธศา ส, สนาเนี่ยจะบรรลุเป็นโสดาสกิทาการนาคาพลังได้หรือไม่ผู้เจ้าบอกได้อาถ้าได้แล้วทําไมไม่ให้นางประชาบดีบวชคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าผู้เจ้าเนี่ยไปจนแต้มพรานนทแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผู้เจ้าเป็นการดึงเกมยืดยืดยืด ความต้องการของนางประชาวดียืดให้พระนนเนี่ยรู้จักที่จะคิดนะคิดหาทางออกแล้วพระเจ้าก็เมื่อพูดหลุดออกจากปากเพื่อบัญญัติเพิ่มก็ทําให้เราทราบว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็มีศักยภาพเท่ากันในการบรรลุธรรมคือเป็นพระหลานได้เป็นอริบุคคลได้ทุกระดับนะเมื่อพระเจ้าดึงเกมมาแล้วขนาดนี้พระนนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ควรจะให้นางประชาวดีบวชได้เพราะสามารถบรรลุธรรมได้ ซึ่งผู้เจ้าก็ก็ไม่ควรที่จะขวางการบรรลุธรรมของบุคคลใช่ไหมเพราะมาเพื่อต้องการให้สรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมอยู่แล้วแต่นี่พระนนท์ไม่ได้พูดนะอันนี้ก็คือเหตุผลที่พระนนท์พูดมาอย่างนี้ว่าเอ็นี่ก็บรรลุธรรมได้นี่ยทาไมไม่ให้บวนชนะพระเจ้าก็เลยบอกอาจอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนางประชาปรดีเนี่ยรับข้ารู้ธรรม8ประการได้ไหมเช่นว่าพิกสุณีเนี่ยบวชแม้ร้อยพรรษา ก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้นคือจัดลําดับอาวุโสพันเตเลยในะใครควรเคารพใครภิกษุสูงสุดลองลงมาภิกษุณีไล่ลําลดับลงมาอย่างนี้แล้วก็ภิกษุณีเนี่ยต้องบวชในสงสองฝ่ายคือบวชในภิกษุนีสงก่อนแล้วถึงมาบวชในภิกษุสงก่อนบวชภิกษุณีจะต้องเป็นสมมเนรีรักษาศีลสิบ และเป็นสิกขานาคือรักษาศีลหน้อยน้อยลงเหลือหกข้อแต่ต้องครบถ้วนสองปีนะแล้วถึงจะบวชภิกษุณีได้คือต้องอยู่ประพฤติพรมจันท ร, ร์เนี่ยผิดไม่ได้ผิดเริ่มต้นใหม่จะบวชยากเหตุผลเพราะว่ามันมีภิกษุณีบวชเข้ามาแล้วมาท้องการกางคันก็เลยต้องอยู่ปรมจันท ร, ร์ครบถ้วนสองปีถ้าพลาดเนี่ยให้เริ่มต้นใหม่อม นั้นมีเหตุผลทั้งนั้นซึ่งทำให้ภิกษุณีเนี่ยเกิดยากแต่สูญสลายง่ายภิกษุณีอาบัตโนนอาบัตนี้เยอะออกไปออกไปออกไปนะเมื่อนางประชาบ ด, ดีได้ฟังครูธรรม8ปประการเขาบอกว่าได้ยินดียินดีทำตามทุกข้อก็เลยได้เป็นภิกษุณีขึ้นมา แล้วหลังผู้จ้าเลยมาบอกพระนลเหตุเหตุที่ห้ามเนี่ยเพราะว่าเปรียบเหมือนตระกูลที่มีหญิงมากชายน้อยตระกูลนั้นจะเสื่อมสลายไปได้ง่ายหรือเปรียบเหมือนนาข้าวที่มีมีเพลี้ยมีหนอนลงเนี่ยนาข้าวจะไม่เจริญงอกางามแต่เนื่องจากผู้จ้าเนี่ยตั้งครูธรรมแปประการมาแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยที่เห็นทำนบน้ำเนี่ยมันพังก็เลยสร้างทำนบใหม่ ตัวทำนบใหม่เนี่ยเปรียบเหมือนขรุขระแ8ประการที่พระเจ้าป้องกันเพื่อไม่ให้น้ํามันทะลักออกจากบ่อไปหมดนั่นก็คือพระเจ้าเนี่ยป้องกันไว้หมดแล้วก็เลยไม่มีปัญหาว่าการมีภิกษุณีเนี่ยจะมีไม่ได้มีได้และพระเจ้าบัญญัติการเกี่ยวข้องกับภิกษุณีไว้ในศิล์ทุกๆระดับของภิกษุ นั่นที่ก็บอกภิกษุณีขาดช่วงไปแล้วรายนี้พูดกันเองไม่มีใครไปสํารวจหรอกว่าในโลกเนี่ยภิกษุณีมันขาดช่วงไปแล้วนั้นถ้าเข้าไปบวชมาจากที่ไหนถ้าที่นั่นเนี่ยสืบสายภิกษุณีมาอย่างถูกต้องก็ได้มีได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไรเมืองไทยไปคิดเองว่าห้ามมี พยัญก็มีภิกษุณีอยู่ในหลายๆจังหวัดอยู่มีอยู่เยอะเหมือนกันน ะ, ะนุ่ง่มเหมือนพระภิกษุนะนะมีที่พระเจ้าตรั ส, สวไว้อยู่นะเช่นการพอใจในอากัปปิยาของชายนะเครื่องประดับของชายนะเครื่องประดับของหญิงเนี่ย ความที่เข้าไปพอใจในในแบบนั้นเนี่ยจะทําให้จิตเขาน้อมไปเกิดเป็นเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีซึ่งจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายกันมาแล้วทั้งหมดพุทธเจ้าบอกพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาแล้วตลอดการยาวนานพุทธเจ้าเคยอธิบายวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนเพศด้วยนะว่าต้องมีอาการอย่างนี้จิตรู้สึกอย่างนี้จิตปฏิเสธอย่างนี้จิตชอบอย่างนี้ แล้วจิตมันจะเปลี่ยนเพศมาเนี่ยสืบค้นได้ในโปรแกรมนี้ใน iPad เนี่ยนะจะมีบอกหมดเลยนะเราคีย์คำว่าผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงผู้ชายปุ๊บเสิร์ชหาปุ๊บเดี๋ยวพัสูตรเกี่ยวกับคำว่าผู้หญิงผู้ชายจะออกมาหมดเลย อ๋อพี่ไปฉันเนื้อทำไมนะก่อนปริธิพานใช่ใช่อาภาธใช่ใช่ชก็คือผู้เจ้าบอกมีจริงอยู่ว่าบอกราพาฒน์นนว่าอย่าไปโทษนะ ไปโทษคนที่ฉันที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยาอาจจะมีคนเพ่งโทษมาเนี่ยทำให้พู้เจ้าต้องเสียชีวิตลงเพราะว่าอาหารที่ได้ฉันก่อนตรัสรู้กับอาหารที่ได้ฉันก่อนปริญญนิพันธ์มีนิสสมสูงสุดเท่ากั น, นถ้ามาคิดดูก็คือพู้เจ้าไม่ต้องแบกกันหน้าอีกต่อไปก็เข้ามิปานะไม่ต้องมาทนทุกข์กับกันหน้า เสียงเสียงรู้สึกเสียงไม่ออกนะเสียงอที่พระสงฆ์ทาอยู่ในปัจจุบันเนะคือถูกต้องตามพุทธวจนะถูกไหมการจำมันษาเหรอรเราจะเอาแง่ไหนอะจำมันษาที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ยจำได้หมด นะจําเป็นไหมว่าต้องอยู่ที่จําอยู่ที่วัดนั้นวัดเดียวไม่จําเป็นในป่าก็ได้พระเจ้ามีอนุญาตให้จำพรรษาในขบวนเกวียนก็ได้เคลื่อนไปพร้อมกัน อ, อย่างเนี้ห้ามจำพรรษาเนี่ยเช่นในตุ่มไม่ให้ไปมุดอยู่ในตุ่มจำพรรษาเมีภิกษุแต่ก่อนไปจำพรรษาในตุ่มน ะ, ะมีแผงแป๋งแปลกๆเยอะ ใช้บาดเป็นกระโหลกผีก็มีเอากะโหลกผีมาทําเป็นบาดผู้เจ้าก็ห้ามครับ <laughs> ถ้าที่ที่มีเจ้าของจะต้องให้เจ้าของของอนุญาตก่อนแต่ถ้าที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยก็กําหนดเขตเองได้ตามสะดวกพราานะอาจารย์ครับผมสงสัยหนึ่งว่าทําไมพุทธวจนะทุกโยคต้องมีเครื่องหมายตกใจเป็นเหมือนว่าเรียกหรือเปล่า จุนทะอย่างเงี้ยหรือว่าอ่าเหรือว่าก็คือคือถ้าพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยทุกคนจะสนใจหมดนะถ้าพรุทธเจ้าพูดอ่ะไม่รู้เรียกกับใครทุกคนหันพรึบมาหมดเลยอย่างเงี้ยก็ก็ต้องชี้ชัดลงไปว่าจะคุยกับใครหรือว่าถ้าคุยกับพิกษุทั้งหลายทุกคนก็จะเงียบหูเข้าฟังหมดซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสัทของพองค์เนี่ยจะเป็นบริสัทที่มีเสียงเงียบมากพรุทธเจ้าอยู่กับพิสูจน์หร้อยนี่จะไม่มีเสียงเลยเงียบกริบหมด พระเจ้าชาติศัตรูไปเนี่ยนึกว่าถูกลวงไปฆ่านะไหนบอกว่าพู้เจ้าอยู่กับพิสู5น0ห้าทำไมมันเงียบอย่างในป่าพอเดินเข้าไปโอโ้โหอยู่กับพิสุมากมายมหาศาลแต่งเงียบกิ๊กหมดเลยนะและยิ่งเวลาพู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยก็ <c oughs> เสียงไอแอมจะไม่มีแม้แต่นิเดเนียใครมีเสียงขึ้นมาอีกคนนะคนที่เขาสังเกตเนี่ยเาบอกอีกคนจะเอาข่าวกระทบข่าวแล้วบอกว่า ท่านผู้มีอายุจงเป็นผู้มีเสียงน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังแสดงธรรมทุกคนจะเคารพมาขนาดพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยก็ยังทึ่งในบริษัทของพระพุทธเจ้าว่าทําไมเป็นบริษัทที่มีเสียงเงียบและเหมือนกับผู้เจ้าเนี่ยมีอำนาจมากที่ทําให้บริษัททุกคนเนี่ยเสียงเงียบหมดพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าพงษ์เป็นกษัตริย์ข้าคนที่ควรข้าได้ลิบซับคนที่ควรลิบได้มีอานาจก็ยังไม่สามารถทําให้ ลูกน้องหรือข้าราชาบริพารมีเสียงเงียบได้เลยในคราวที่พิพากษาคดีนะก็ยังมีเสียงอื้อเอเสียงดังขึ้นมาเป็นระยะแต่ในบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพงไม่เคยได้ยินเสียงเลยนะนี่ก็เลยทึ่งมากนะในความเป็นบริษัทที่มีเสียงเงียบ น, ะนี่บริษัทของพระเจ้าได้ได้ได้รับคำชมอย่างนี้นะมีอีกหนึ่งคำถามครับคือ อย่างที่ฟังที่ดูดีวดีเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วพระอาจารย์ใช่ว่าเรื่องการตั้งสัรนิษฐาหรือว่าเจ้าอะไรอย่างนี้ครับหรือสิ่งศักกิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้คือถ้าตามหลักพุทธวจนะก็คือชันนิษฐานหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปไหว้ใช่ไหมเราไม่จำเป็นเลยครูเจ้าไม่เคยสอนไม่เคยให้สนใจสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยกับพวกนี้คือเราแผ่เมตตาให้เขา ถ้าเราปฏิบัติจนเป็นโสดาบันแล้วตกลงไขว่ายไข่เขาต้องไหว้เราไม่ใช่เราไปไหว้เขาใช่ไหมเพราะเราประเสริฐกว่าเขาเราพ้นแล้วจากความตายแต่เขายังไม่พ้นจากความตายเลยเขาต้องมาขอความรู้จากเราเขาต้องมาอัญเชิญอภิวาสเรานั้นเทวดาพรอมทั้งหลายเนี่ยอัญชลีภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นมาแต่ที่กลเท ว, วาข้าแต่ท่านบุรุษผู้เจริญข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่าน เทวดาพรมเพ่งนะชาญสมาบัติต่างๆอาศัยปิติเป็นอาหารอาศัยสุขเป็นอาหารบ้างหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ได้แต่เขาไม่รู้ว่าพระหลานเนี่ยเพ่งอะไรทำไมอยู่ไดนะ้เขาหาพระหลานไม่เจอในทั่วโลกธานมีพรมอยู่คนจะหาตัวผูเจ้าให้เจอหาไม่เจอนะเล่นซ่อนหากันนะนะพู้เจ้าก็ให้ได้ยินแต่เสียงกับหาตัวไม่เจอนะก็ผลัดกันผลาดกันไปซ่อน ทีละทีละครั้งผมก็ไปซ่อนไปสักกายผู้เจ้าก็เจออทีนี้ถึงขา่าพผู้เจ้าไปซ่อนมาแต่ผู้เจ้าเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวผมนะผมก็ไปมองสกกายนะหาไม่เจอน ะ, น ะ, นะคือคนเรามองออกนอกตัวหมดไงไม่มองย้อนกลับภายในพวกเทวดาเขาก็มองไม่เห็นผมเขาก็ เคารพสักการะปลมนุษย์มองไม่เห็นเทวดาก็เล ย, เยคิดว่าเทวดานี่เป็นผู้พิเศษก็เลยเคารพสักการะเทวดาในเทวตานุสติเนี่ยการร ะ, ะลึกถึงเทวดาเป็นอนุสติที่พระเจ้าสอนไว้สอนด้วยว่าอย่างไงอนุสติตรงนี้บอกว่าศรัทธาอันใดใช่ไหมภิริโอตปาอันใด ปัญญาอันใดศีลอันใดที่พวกเทวดามีเราก็มีเหมือนกับเขาเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างทำไมเราจ ะ, ะมีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำไมเราจะเป็นคนดีขึ้นมาไม่ได้นะนะเราลึกถึงว่าเออเทวดาเ้าก็มีความดีเหล่านี้จึงทาให้ไปเกิดเป็นเทวดาตัวเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเร่ง น, นี้นะเราลึกถึงในคุณธรรมของเาัาเมื่อช่วงเมษาที่ผ่านมานี่ครับ รุ่นของผมได้ทําผ้าป่าครเป็นการบุรณะอุโบสถซึ่งเพื่อนบางคนเนี่ยก็มีจิตที่เย็นดีด้วยบางคนก็เฉยหรือบางคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผมอยากจะถามว่าในส่วนนี้ครับอันนี้สงฆ์จะตกแก่ใครบ้างอันนี้สงฆ์ก็ตกแก่คนที่ทำไงคนที่มีจาระคาเสียสละมันมีมุมหนึง่งคือว่าถ้ามีการมีจาระคามีการเสียสละแล้วเนี่ยสมาธิถี่เบื้องต้นเนี่ยจะหวังบุญ หวังสิ่งต่างๆนะจะอ้อนวอนขอนะอันนี้ยังเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักเป็นกลุ่มของพวกเป็นจิตของพวกมีสมาทิฏีิเบื้องต้ น, นยังหลุดพ้นไม่ได้แต่สมาทิถีเบื้องปลายจะไม่ขออะไรละทำเพื่อทำไปเฉยๆนะทำแล้วปล่อยวางเพื่อล้างความระหนีในจิตนะเพื่อฝึกจาระ่ากันให้นะเพื่อล้ความยึดมั่นถึงมั่นในวัตถุเข้าของอย่างนี้ นี่เป็นความเห็นของสมาติติเบื้องปลายทีนะนี้การทำนุบำรุงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเออเราทำนุบำรุงถูกต้องหรือเปล่านะบางทีเราไปทําแต่วัตถุเข้าของซึ่งผู้เจ้าไม่เคยบอกความเจริญหรือความตั้งมั่นของพระสัทธรรมมีเพราะว่าโบสถ์สวยๆวิหารดีๆนะไม่ได้เกี่ยวเลยความเจริญศาสนาอยู่ที่หนึ่งบทแพนชนะสืบทอดกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกหรึเปล่านี่ตัวหนังสือนี่สําคัญ ตอนนี้เราหันให้คนมารู้จักพิมพ์หนังสือเราไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะได้ในประเทศไทยแปลกมาเมืองพุทธแต่หาคำผู้เจ้าไม่ได้แต่หนังสือที่ผิดผิดเนี่ยมีเต็มประเทศหมดเลยนะอย่างพวกมนต์วิธีไรหาได้ทุกแผงหนังสือเลยนะข้อมูลแต่งเติมขึ้นใหมนะ่คือเราขาดองค์ความรู้ตรงนี้เพราะพระไม่ได้สอนเนี่ยระส่วนใหญ่ไม่ได้สอนว่าพระศาสดาให้ นับถืออะไรนะอะไรคือความเจริญความตั้งมั่นพระสัตธำนะบดภรชนะจะต้องถูกถ่ายทอดถูกกระจายออกไปให้แพร่หลายนั้นเราก็พยายามแจกคำผู้เจ้าเนี่ยให้แพร่หลายให้มากที่สุดเนะท่าที่กำลังจะมีนั้นนี่มุมหนึ่งนะดังนั้นการไปทำเกี่ยวกับด้านวัตถุก่อสร้างเพียงมุมเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ มุมที่2ก็คือที่ที่เราไปทำเนี่ยเป็นที่ที่เป็นพระที่ดีหรือไม่ดีเราไปทำนุบำรุงโดยที่ไม่ได้ดูว่าภิกษุนั้นประพฤติปฏิบัติดีหรือเปล่าถ่ายทอดพุทธพจนไ์ไหมศีล ส, สมบูรณ์ไหมสัมปณะศีลาไมมีศีลสมบูรณ์ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการที่เราไปสนับสนุนให้พระไม่ดีเนี่ยเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้น คำบิดเบือนเนี่ยเติบเตเติบโ ต, ตขึ้นนะอ่าก็เหมือนเป็นการให้กําลังกับหมู่โจรนะเป็นเหตุให้พระาศาสนาเนี่ยอายุสั้นลงสั้นลงดังนั้นการสนับสนุนเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าต้องพิจารณาใครควรให้รอบพ่อซะก่อนเธอจะหวานข้าวลงในนาดีนาปานกลางหรือนาเลวเนี่ยมันก็มีแง่มุมตรงนี้ส่วนอันที่สอส่วนตัวของโยมที่ได้เนี่ยได้ไหมได้ได้จา ก, าการเสียสละได้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ผลกระทบมีไหมถ้าไปอยู่กับพระที่ไม่ดีก็มีผลกระทบคือศาสนาจะอายุสัน้นะนะและความการสนับสนุนนั้นจะไม่เป็นการทำให้เกิดความตั้งมั่นของพระสธรรมได้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะไม่ได้ไปทำในจุดที่จะเป็นความตั้งมั่นคือบทพิศนะต้องถูกปรามหมายถูกอย่างนี้ได้ให้แพร่หลายออกไปนะอย่างรอห้าธรรมเนี่ย กระจายบาลีสยามรัฐไปทั่วโลก260แหวงทั่วโลกกระจายไปทุกประเทศทุกวัดเลยสละพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง 2,000 ช่งางทำเลยพิมพ์บาลีสยามรัฐเนี่ยตรงประเด็นเป๊ะเลยของท่าเจ้าก็เลยดูอ น, นิสงส์เนี่ยสมัยในราชการท่านก็รอดอยู่รอดปลอดอภัยมาได้ตลอดใช่ไหมจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดก็หลุดมาได้หลุดปัญหามาได้ตลอดกระจายคําของพระผู้มีพระภาคเจ้า พยศเรียนถามครับในปัจจุบันครับคือจะมีศ า, าสนพิธีต่างๆครับหรือว่าหลักธรรมต่างๆที่เราเห็นในชีชวิตประจำวันอย่างเมื่อวานที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วว่ามีบุญกิยาที่แท้จริงคือมีสามครับเราที่เห็นกันทั่วไปคืมีสิบผมอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมที่มันยังผิดๆิดอยู่ ให้พวกผมได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกร่วมถึงศาสนพิธีต่างๆที่เราเห็นว่ามันมันยังเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในชีวิตประจําวันอเราให้ที่ผิดเหระมันแทบจะเต็มไปหมดเลยอย่างอะไรอย่างที่ว่าธรรมาจะมีตาลปัดมันไม่มีอันนี้ก็บัญญัติขึ้นเองถ้าโยมถามพระธรรต า, า, ต า, าตลปัดมีไว้ทําไมไม่รู้เหมือนกันพ่ะพุทเจ้าไม่เคยบัญญัตนินี่มาบัญญัติกันเองเห็นพระ พ, พาม่าถือพัดไหย น, นี่ก็ไม่ไม่มีบัญญัติไปถือทำอะไรก็ไม่รู้น ะ, ะเวลาไปไปทำบุญบ้านเนี่ยเราก็จะมีสวดมนต์กันใช่ไหมมีขันน้ำมนต์มีสายศีลมีอะไรอย่างเนี้ยตัวนี้ไม่มีเลยผู้เจ้าเข้าบ้านเนี่ยทำอะไรผู้เจ้าไปฉันอนุโมทนาแสดงธรรมจบแล้วทำสามอย่าง ดังนั้นหนะ้าวันนี้อาตมาก็ทำแบบผู้เจ้าเหมือนกันจะไปกินนิมนต์ตามบ้านที่ไหนไปฉันอนโมธนาแสดงธรรมจบละไม่มีพิธีอื่นอย่างนี้เพราะผู้เจ้าบอกเจ้าของบ้า น, นได้นิสงส์อยู่แล้ว5ประการหนึ่งการลุกลับกราบไหว้ให้อสนะันะเป็นไปเพื่อเกิดในตระกูลศูนย์การที่เข้ามีจิตเลื่อมใสในนะนะบทผู้มีศีลผู้เขา้เขาไปสู่บ้านเอนของผู้ใดเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ การที่เขาละความตรีนิยนเป็นมณทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้เกิติศักดิ์กันใหญ่ถ้าเราต้องการได้กิติศักดิ์มากเวลาทําบุญเนี่ยพยายามฝึกรัความตรีนิบอกนี่เราต้องการรัความตรีนิตั้งเจตนาอย่างนี้การจําแนกแจกทานตามสติกําลังเป็นไปเพื่อการได้โพคะอันใหญ่และอย่างที่5การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ นี่เื่อนนี่สงฆ์ฮะเขาได้ครบแล้วเนี่ยนะเข้าไปในบ้านเรือนเขาเนี่ยเขาเริ่มใสไหมเขาเริ่มใสนี่อารมณ์ของสุติโลกสวรรค์เขานี้มนเรานั่งไหมหาที่นั่งอาสนองอาสนะอะไรให้ไหมนี่เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงนะมีความอ่อนน้อมนะเขารู้จักลากความตนหนีไหมเออน่าได้ถวายทานแก่ท่านนะถวายบาตถวายจีวรถวายเสนาสนะเพศสัตว์อะไรให้ท่านเนี่ยนะ ถ้าเขารู้สึกต้องการที่จะละความตระหนีต ร, ตรงนีน้เป็นไปเพื่อการได้เกติศักันใหญ่และเข้าได้ถวายทานเหล่าเนี้แก่ภิกษุผู้มีศีลที่เข้าไปสู่บ้านเรือนก็เป็นไปเพื่อการได้โพคา้าใหญ่และที่สุดคือการได้ฟังธรรมเป็นเหตุให้เขาเนี่ยเข้ามรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกล่องถูกได้ไม่ต้องมีพิธีการอะไรเห็นไหม มา ส, สักาการมงคลเจ้าอ่านี่ยเรียนถามทราบ ว, ว่าบทสวดมนต์ที่มีการแต่งขึ้นมาใหม่ครับเช่นบทพระหุงมหาคาหรือว่าบทชิ น, นชวัฒชรนี่เรายัางยังควรอ่าอยัางควรสวดอยู่หรือไม่หรือว่าต้อง<ม>สวดตามพุทธ <ะ S 2> วจนะมีชุมนุมเทวดาเอ้ยอะไรจิ ป, ปาธาเต็มไปหมดเลยครับจริงๆริงผู้เจ้าก็ตอบไปแล้วในพระสูตรนี้ใช่ไหมเป็นคําที่สาวกแต่งใช่ไหมครับ ดังนั้นเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุดตัณฑ์เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่ศาสดาเราพูดนะแต่ทีนี้สาวกที่ไม่รู้พระสูตรนี้ก็เลยไปแต่งเองไปขยันแต่งเองไม่ใช่มีคนเดียวแต่มันมีเยอะไปหมดเลยเพราะการขาดความรู้ของของพระเรา ซึ่งผู้เจ้าพยากรไว้นานแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิกษุไม่สนใจคําตถาคตใชเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้อ่าแต<ม>่ก่อนเราก็เคยสวดเดี๋ยวนี้เราก็เลิกสวดหมดนะต้องไม่สามารถต้องสวดบทไหนบทที่พระศาสดาสวดด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์อยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวนะพระองค์สวดกฎอิทับปัจจยตาสวดปฏิจจสมุปบาทสีบรรทัดเองอิทับปัจจยตา อิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุ ป, ปาทาอิทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทางนรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกฎธรรมชาติมีสีบ่บรรทัดแค่นั้นเองทั่วโลกกท่าทั้งหมดเนี่ยพรมเทวดาอะไรตกอยู่ภายใต้กฎสบรรทัดนี้หมดเลยแล้วก็สอยย่อยลงมาเป็นปฏิจจสุปาฏ เพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่ลําดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและไล่ลําดับเหตุของการดับแปแงความตายจบละแค่นี้ครูเจ้าสวดแค่นี้น ะ, ะธรรมะนี้ถูกเรียกว่าอริยญายธรรมธรรมะที่ทําให้คนเป็นอริยะขึ้นมาได้โยมทรงจําตรงนี้ได้คล่องปาดขึ้นใจเนี่ยโยมได้ความเป็นอริยะแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเห็นไหมมีความเลิก ม่ทราบว่ามีในที่แจกไปมีในที่แจกไปในหนังสือสาธยายธรรมหน้า22ให้สวดบทนั้นได้ครับขอบคุณครับครับนมนาสการพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าแจ้งว่าที่เราไม่จําเป็นต้องกราบไหว้เทพพรมนะครับแล้วอย่างเช่นเจ้าแม่ธรณีหรือว่าเจ้าแม่คงคาครับไม่ทราบว่าเรามีจริงหรือว่าเราต้องกราบไหว้อยังไงครับไม่มี ในเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาอะไรนี้อันนี้อ่าก็เป็นความเห็นของสมภารเหล่าอื่นที่ในพระไตรปิฎกบอกว่าแม่ธรณีมาบีบมวยผมอะไรเนี่ยนะอ่าแล้วก็น้ำมาท่วมพวกมารพวกอะไรอันนี้อยู่ในส่วนของสาวกพาสิไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะนะถูกแต่งขึ้นแล้วแล้วผมแล้วที่นี่ได้ทำวัดชาวัดเย็ดไหมพรเจ้าไม่เคยบัญญัติการทาวัดชาทำวัดเย็น นะดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ทําหลายวัดในประเทศไทยก็ไม่ได้ทํารู้จักหลวงตามหาบัวไหมวัดหลวงตามหาบัวไม่ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแตนะ่ก่อนก็งงนะวัดหนองบกกงทําทนี่ไม่ทําตกลงและ ใ, ใครถูกใครผิดดังนั้นเราต้องมาใช้คํำผู้เจ้าเป็นตัวตัดสินนี่ถึงบอกเวลาอาจารย์ที่เราศรัทธาหรือว่าชื่อเสียงโด่งดังสอนไม่เหมือนกันโนะยมจะเอาอะไรมาเป็นตัวตัดสินต้องใช้พุทธวจนะ ท่านี้มาดูว่าผู้เจ้าสอนยังไงในยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยผู้เจ้าบอกหลังฉันแล้วเนี่ยให้ภิกษุเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีสี่ทุมจากนั้นเนี่ยให้นอนก่อนนอนไม่เคยบอกว่าเธอทําวัดเย็นน ะ, ะหรือตอน6กโมงเย็นนะมาทําวัดเย็นไม่มีหลังจากนอนแล้วคือในยามสองยามสามให้ตื่นตีสองตื่นตื่นมาแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกรทั่งเชา้า ก็ไม่มีบอกว่าตื่นแล้วเนี่ยให้ทําวัดเช้านะไม่มีเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวฝึกจิตฝึกจิตให้หลุดพ้นให้ได้นะเช้าออกบินตบาตบินตบาดได้อาหารมาแล้วก็เข้าวงรอบเดิมเดินสลับนั่งไปจนะทั้งถึงเวลานอนนี่หน้าที่พิสูจน์ทำแค่นี้เรียกชาคลายานุโยนะครนะับแล้วเวลาใส่บาตรครับถ้าเกิดสมมุติว่าใส่รองเท้าสรองเท้าใส่บาตรเนี่ยมันที่เคยได้ยินมามันบาตจริงหรือไม่ ไม่จริงพระเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องเรื่องการถอดรองเท้าหรือใส่รองเท้ากับญาติโยมพิกษุเข้าถึงอาชีพขอทานไปสั่งญาติโยมให้ถอดรองเท้าใส่รองเท้าไม่ได้นะโยมจะให้ตั้งกับขอทานขอทานสั่งเอ้ยถอดรองเท้าก่อนทําได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวโยมบอกไม่ต้องเอาหรอกงั้นใช่ป ะ, ะเดี๋ยวพิสูจก็ไม่ต้องมีฉันกันไปตั้งเงื่อนขายกับญาติโยมพระเจ้าบอกเลยว่าพิกษุเราเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทาน แต่เป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นเพราะขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีและชทันไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่กระบุตรนั้นเข้ามาบวชแล้วเพราะคิดเช่นนี้ว่าเราเป็นผู้มีความทุกข์คือชาชร า, ามณนะอย่างเอาแล้วและเขามองเห็นว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างการจะที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดไปแล้วเนี่ยทำได้ยากฉะไหนเลยเราจะพิงตรงผมและหนวด คลองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวขอวย้องในเรือนเถิดนี่คือความคิดของผู้ที่ออกจาะบวชนะ อ, อันนั้นเขาออกจากเรียนมาบวชเนี่ยเพราะเขาคิดอย่างนี้นะครับแล้วแล้วเวลาพาภิกษุเวลามรณภาพาไปทำไมบางบางรูปถึงร่างกายถึงไม่เปลี่ยไม่เน่าก็ธรรมดาแล้วแต่เหตุปัจจัยนะตายแล้วชวีวันผ่องใสก็มีอันนั้นเหตุเพราะรัสังโยชนธาได้ เหตุปัจจัยตรงนี้มันทําให้ธาตุดินน้ําไฟลมมันมันแปลสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้เจ้าก็ไม่ได้ให้ไปสนใจจะจําเป็นไหมว่าจะเป็นไหมว่าผ่าที่ล้สังขารเวลวต้องต้องบรรลุโสดาบันหรือว่าไม่จําเป็นก็เป็นใช่ไปนรกก็มีสภาพจไม่ดีนะหลุดพ้นก็มีนะนั้นบินฑบาตเนี่ยพระจะใส่รองเท้าก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คารวะจะใส่รองเท้าไม่ใส่ก็ได้ไม่มีบังคับเลย บางทีส่วนใหญ่เราไปเห็นว่าพระบางรูปเนี่ยถ้าโยมใส่รองเท้าจะไม่รับบาตรจริงไม่มีสิทธิ์ทําไม่ได้นะอา่าพระเจ้าไม่เคยกัญญัติตรงนั้นแต่เวลาฟังธรรมต้องถอดรองเท้าแต่เราดูนะเวลาฟังธรรมส่วนใหญ่เราไม่เคยถอดรองเท้ากันเราทํากลับกันบางทีนั่งในห้องประชุมหรือในงานศพอะไรต่างๆพื้นก็สะอาดดีแต่ไม่ถอดรองเท้าเห็นนะแต่เวลาใส่บาตรพื้นกระสอบโปกแต่ขยันจะถอมรองเท้ากันมันทำกลับกับที่พระเจ้าวันหยัดเห็นนะ แล้วคนก็มาบน่นทาไมสายบาต้องถอดรองเท้าพื้นมาสก บ, บกก็ผู้ช่างไม่ได้บัญญัตินี่ดำไปถอดเองเ่ยทำตามๆกันม า, น อ, านอย่างฟังธรรมเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยราชาแห่งมคตเนี่ยจะเข้าไปหาผู้ชาเนี่ยจะปลดอาวุธเลยจะถอดพระขันวางอาวุธถอดรองเท้าวางเครื่องทรงอะไรต่างๆไปตัวเปล่าเดินเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย จะเคารพผู้เจ้ามากอย่างนี้อเราจะเห็นบริบทต่างๆที่เวลาพระราชาพระเจ้าแผ่นดินเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วขอจะถามเรื่องสมมติว่ามีงานครับแล้วมีสมมติว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นองค์ประธานนะครับพระสงฆ์ควรจะไปก่อนหรือว่าต้องให้พระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปก่อนครับอให้ไปก่อนก็ได้นะไม่ไม่ไม่ไม่มี ไม่มีปัญหาตรงนี้นะแต่ใครนั่งสูงกว่าใค ร, ครนะถ้าถ้ามีการฟังธรรมแล้วพิสุนั่งต่ำกว่าผู้เจ้าบอกห้ามแสดงธรรมผู้เจ้าบังคับพิสุไว้อย่าแสดงธรรมให้กับผู้ที่นั่งสูงกว่าเราอย่างนี้อ่าดังนั้นอาสนะของพระจะต้องสูงสุดอย่างนีน้ถ้ามีการฟังธรรมนะครับพระพิสุ พระเจ้าห้ามพระพิสูุแสดงธรรมในโอกาสไหนบ้างครับตอ น, น, นคือผมเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนอยู่ปีสองเนพี่พี่นเดียวเข้าผู้ช่วยทหารเวีนกลมแล้วเขาก็ค่อยกระ บ, บี่มาพระพิสูจท่านก็พอใส่บาตรเพระพิสูจท่านให้พรท่านบอกว่าพระเจ้าห้ามพระพิสูจแสดงธรรมแก่ผู้มีอาวุธเลยก็ใช่เล<ต>ยโดยตรงแต่ว่าโอกาสไหนบ้างที่พระพระสงจะไม่แสดงธรรมมีถือไม้พลองถือศัตตราถืออาวุธ ผ้า พ, พวกหัวกลางล่มนะสวมรองเท้าสวมเขียงเท้านั่งไปในยานนะนั่งที่สูงกว่าเราเดินไปนอกทางเขาเดินไปในทางห้ามแสดงธรรมเขาเดินนำหน้าเราเราเดินตามหลังห้ามแสดงธรรมนะนะถ้าคนฟังนั่งรัดเข่าห้ามแสดงธรรมให้แสดงว่าอาการนั่งนี่ก็มีมีนั่นกันคือนั่งรัดเข่านั่งกอดเข่าเลยอ่านะ นี่บอกห้ามแสดงทําให้แล้วก็เนี่ยเยอะพอสมควรนะนะแต่จริงๆแล้วภิกษุเนี่ยบิณฑบาตเนี่ยไม่ต้องให้พรนะเพราะพูุ้ทธเจ้าไม่ได้อนุญาตการให้พรขณะบิณฑบาตภิกษุที่บิณฑบาตเสร็จให้พรเนี่ยทำปิดตามที่พูะุทธเจ้าบัญญตัติเพราะพูุ้ทธเจ้าอนุญาตการให้พรในที่ฉันนะผูะพุทธเจ้าบัญญัติเลยว่าเรากล่าวการอ น, อนุโมทนาในที่ฉัน และเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้เถระพอบัญญัติอย่างนี้ปุ๊บภิกษุอนุเถระก็หลีกหนีไปหมดพู้เจ้าก็เลยมาบัญญัติเพิ่มเติมมาระหว่างที่พระเถระอนุโมทนาเนี่ยให้ภิกษุอนุเถระเนี่ยคือต่ํากว่านั้ น, นคอยอยู่ด้วยพอสั่งให้คอยก็คอ ย, อยจริงๆ น, นี่ปวดท้องปวดปัสสาวะไม่กล้าไปก็อุจาราะปะสาะัสสาวะาดเรื่องไปถึงพระเจ้า ผู้เจ้าจึงบอกว่าถ้ามีเหตุจําเป็นให้บอกพิสุองค์ข้างๆแล้วก็หลีกไปได้เห็นนะมแต่ไม่เคยมีอนุญาตเวลาบินตบาดเลยเนี่ยอเพราะฉะนั้นบินตบาดปุ๊บเราก็ไม่ให้พรเราก็บินปุ๊บก็ไปเลยไปเลยนะครับแล้วในพิธีของไทยวัฒนธรรมของไทยบางอย่างหลายอย่างผมสงสัยว่ามันจะเกิดอันนอนนี้สงครับอย่างการที่สงการวันสงการครับนะการส่งน้ำเพื่อรูปส่งน้าผสมเนมันจะเกิดอนนี้สงไหม ไม่มีไม่มีบรรยัตินิสงไว้นะแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการให้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาให้มาลัยนะเครื่องหอมดอกไม้แก่ท่านอันนี้ก็มีอ น, นิสงส์งอยูนะ่แต่เป็นอ น, นิสงส์งก็ไม่ไม่เยอะอะไรนะการเวียนเทียนการหล่อเทียนพรรษานี่ไ ม, มไม่มี เ, เออเวียนเทียนหล่อเทียนพรรษาอะไรนี้ไม่มีเทียนนี้ก็ใช้ อย่างเทียนเอาเทีนใหญ่ๆมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าควันมันก็เยอะจุดก็ยากดับก็ยากพวกมาลงมาแรงก็ไปลงตายเต็มไปหมดนะแล้วควันตลบอบอวนอยู่ไม่ไหวหรอกในกุฏิควันจะเหม็นมากดังนั้นในกุฏิจะใช้เทียนแท่งเล็กๆเนี่ยน ะ, ะเทียนแท่งประมาณนิ้วชี้อย่างเงี้ย เทียน ก, ก็ได้ใช้แต่ใช้แท่งเล็กๆเพื่อไม่ให้มีควันมากแล้วก็ดับง่ายจุดง่ายไ ม, ไม่เลอะเทอะเปิดเพลินมากดังนั้นการ เ, เรื่องแห่เทียนบรรษาอะไรนี่ไม่มีมพวกภูมิอื่นที่ทนมนุษย์นี่สามารถประพฤติทำและบรรลุทำได้หรือต่ำกว่ามนุษย์ไม่ได้เลยธรรมะนี้เป็นประโยชน์สาหรับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปได้ บรรุธรรมในภพเทวดาได้ปรินิพพานในภพของเทวดามีเยอะแยะจะยินพวกดิบสาพวกสัตว์จําีนี่นี่ว่าไม่ไม่มีไม่มีพวกมูจําศีะขึ้นมาแปลงาแปลงร่างเป็นม์าไม่มีไม่มีมีแต่พวกนาคพวกนามีลิต์อยู่พวกหาน้พวกนาก็เป็นเป็น คืออยู่ในในในกลุ่มของพวกพวกเทวดาชั้นต่ำน ะ, นะมียักษนาคนทนันนส์รพวกนี้นช้า ง, า ง, างนี่ําไมนะช้างไม่อ่ะเป็นเดรัจฉานาาอ่า ไม่จำเป็นไม่ไม่ไม่ต้องไม่สูงกว่าว่าบรรลุธรรมไม่ได้ไแล้วอย่างพุทธประวัติบางตอนที่เขียนว่ามีสัตว์ได้ยินพระเจ้าท่านเทศแล้วก็บรรลุธรรมนี่ก็ไม่จริงสัตว์รู้สัตว์เนี่ยรู้ความหมายแห่งธรรมเนี่ยไม่ได้นะแต่ที่จะ ไปสุกติโลกสวรรค์ได้ก็อาจเป็นเพราะว่าได้ฟังแล้วเกิดปิติจากเสียงได้สัมผัสที่น่าพอใจนะเกิดความสงบความสุขในจิตอันนี้เป็นอารมณ์ของสุกติโลกสวรรค์เป็ี่นพบภูมิได้แต่โอกาสยากมากเพราะพระผู้เจ้าจะบอกว่าพวกสัตว์ดิลฉานเนี่ยมันมีแต่การเคี้ยวกินกันนะเพราะมันไม่มีเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยนยนะีสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กนะเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอด ดันจิตมันจึงมีอกุศลอยู่ตลอดเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าพามปิติไม่บ่อยเราต้องไปเกิดในบาพภูมจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์นี่มากน้อยมีโอกาสกลับมันเป็นมนุษย์แต่นานมากความนานขนาดไหนผู้เจ้าประมาเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำน้ําท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนนึ่งย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่เนี่ยไปทิศเหนือใต้ออกตก ในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งผู้เจ้าถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร100อปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดขอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาพบอกยากมากโอ้หน้ําท่วมทั้งผืนโลกกว้างใหญ่ขนาดนี้เต่ากระตูนิดเดียวแถมตาบอดอีกไอ้ลมก็พัดไม้ไายไปเหนือใต้ออกตกมันจะเจอกันได้ไหมเนี่ย พระเจ้าบอกเนี่ยความยากในการเปลี่ยนภพภูมิขึ้นมามีความยากสมอย่างในพระสูตรหนึ่งบอกว่าความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ความยากในการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นอรันต ส, สัมมาสามพุทธเจ้าความยากที่ศาสนาจะแผ่แผไปสารไปทั่วโลก3อย่างนี้ยากเสมอกันอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าความยากในการที่สัตว์จำพวกวินิบาตจะเปลี่ยนอัตภาพมาเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้มันจะอยู่ยาวยาวนานเลย พุทชาจ้จึงต่ัว่าพระองค์เนี่ยไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกันเนศชานหรือเปรตวิสัยมันยิงยาวเลยนะนานมากปพะ่อยัดเยนินทมเพิ่มเติมผมเคยได้ยินมาหลายครั้งครับเกี่ยวกับพวกที่ไปทำแทง่ะครับครับเราทราบว่าเวลาถ้าทำแทงเนี่ยคือ เด็กที่ถูกทำแท้งไปเนี่ยคือเขามีมีจิตผูกพยาบาทหรือว่าตอนนั้นคือจิตเขายังไม่ได้คิดอะไรหรือว่าอะไรไงคือทำไมคนที่ทำไปแล้วคือผลกรรมเป็นไงครับทำไมต้องแบบได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิตอะไรไนี่ไม่มีอ่ะเขาก็ได้รับความลำบากในระดับของผลวิบากแห่งการทาปานนติปานาทิบาตในในความเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นพิสูจน์เนี่ยถ้าฆ่ามนุษย์ก็คือบา巴าชิขาดจากความเป็นพระนะแต่ถ้าฆ่าสัตว์ทั่วๆไปเนี่ยจะถูกปรับอบัตปาจิตตีคือเป็นอบัติเบาที่ปรงได้ด้วยวาจานะน้ำหนักต่างกันเยอะการฆ่าเหมือนกันหนึ่งชีวิตแต่ทำลายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นมนุษย์ขาดจากความเป็นพระแต่ถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปนี่แค่ปรงด้วยวาจาก็ได้พระเจ้าให้น้ำหนักกับพวกเดรัจฉานเนี่น้อยมากนะ ส่วนการจะคิดว่าเป็นการปรงชีวิตหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ระยะเวลาการทำลายชีวิตเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่วิญญาณเนี่ยก้าวลงสู่คันหรือไม่ก้าที่พู้เจ้าบอกกับพระนล น, นะว่าถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวปรุงตัวต่อได้ไหมพระนลบอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องดังนั้นเนี่ยถึงแม้บีดามารดาอยู่ร่วมกันมารดามีรดูคันภ า, าเข้าไปตั้งเฉพาะ นี่คือการเกิดของสัตว์ในคันจะมี3เหตุปัจจัย3มเหตุปจัจจัยนี้พร้อมนะก็ยังเกิดไม่ได้ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปตั้งอาศัยท่า น, นี้ถ้าเข้าไปตั้งอาศัยแล้วเกิดแตกสลายลงอีกนํารูปก็ปรุงตัวต่อไม่ได้ก็ต้องแตกสลายถ้าเข้าไปตั้งอาศัยแล้วนํารูปในคันเนี่ยเกิดเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วอยู่ในคันนั่นคือปรากฏเพศแล้วท่า น, นี้ช่วงเวลาตั้งแต่แรกจนกระทั่งปรากฏเพศเนี่ยเราไม่รู้ว่า ระยะเวลากี่สัปดาห์นั้นถ้าเกิดเขาเขาทำลายก่อนในช่วงนี้ก็อาจจะจัดว่ายังไม่เป็นชีวิตก็ได้เพราะมันยังมีการเข้าๆออกของวิญญาณอยู่แต่ถ้าเลยจากการปรากฏเพศไปแล้วก็วิญญาณจะอยู่ตลอดละมีอุปทานความคิดมั่นเหนียวแน่นละ ว, ว่านี่เป็นกายเราก็น่าจะจัดเป็นระบบชีวิต เขาเขาญาตพระพุทธเจ้าครับสอบถามต่อครับเหตุผลกรรมที่รับจากคนที่ทำแทงนี้มีวิบากกรรมก็ถ้าไม่ได้ทำบ่อยก็เป็นไปเพื่ออายุสั้นถ้าทำเป็นปกติก็เป็นไปเพื่อนรกกัมเนธิราชานเปรยวิสัยแล้วแล้วคนที่เวลาอย่างเช่นเครื่องบินตกนี่ครับเขามีวิบวิบากกรรมร่วมกันไหมครับก็มีร่วมกัน เหมือนพวกแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่เราจะต้องเดินทางไปที่นั่นเอาแล้วแล้วถ้าเกิดว่ า, วาสัตว์เวลาเขาทำาอย่างเช่นปลาในกระชังอะไรครับแล้วเขานำ<ช>ไปฆ่าพร้อมกันหมดอย่างนี้นก็คือใช่ใชวิบากกรรมร่วมกันวิบากกรรมร่วมกั น, นแสดงว่าสัตว์ทุกชนิดมีมีวิญญาณมีจิตมีมีหมดแม้กระทั่งพญาธหรือว่าอะไรที่เป็น <c oughs> สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับผู้เจ้ามองเล็กสุดแค่มดดํามดแดง ต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ไม่พูดถึงนะการกินยาไปฆ่าเชื้อโรคในร่างกายให้ร่างกายหายเนี่ยคุญเจ้าไม่เคยเกล่าวถึงว่าเป็นการทำปาณาธิบาตคือ <c ười> คงจะมองว่าเล็กเกินไปขนาดฆ่าสัตว์ทั่วไปยังยังระบุความผิดเบาเลยพระ ม, ม, ม ก, การคุณเจ้าคือ คืออย่างพระที่มีสมณศักดิ์เนี่ยครับยังถือว่ายึดติดอยู่ในราบยึดอยู่ไหมครับก็ํำนองนั้นน่ะมีโอกาสเลิกได้ก็น่าจะเลิกนะแต่การเลิกนั้นก็ต้องอาศัยหลายๆฝ่ายช่วยกันนะเพราะมันตาไปเป็นกฎหมายเป็นอะไรต่ออะไรมันเลิกลาบากพอพระเราไปเอาสิ่งเหล่านี้ไปพัวพันกับกฎหมายบ้านเมืองนะนะทาให้การเลิกยุ่งยากขึ้นก็ ผู้เจ้าตัดกับนาคิตะว่านาคิตะยศอย่าต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยเดี๋ยวนี้พระก็เลยงงกันว่าจะเคารพตามรรษาหรือว่าเคารพตามสมณศักดิ์เพราะว่าผู้เจ้าให้เคารพกันตามรรษาแต่สมณศักดิ์ดัดเกิดโผล่ขึ้นมานไม่รู้เจ้าคณะภาคภ ร, รษาน้อยกับเจ้าคณะตำบลภ ร, รษารรมากใครจะไหวใครมันงงกันไปหมดนะเห็นนะ นี่คือความเสื่อมของาศาสนาที่มันจะค่อยๆเสื่อมไปผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยแต่ต้องมีคนไปแนะนําผู้นําของประเทศดังนั้นถ้าถ้าผู้นําประเทศได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะจ ะ, จะผลพวงจะออกมาเป็นอย่างนี้นะแล้วเรื่องทีวีบางครั้งก็จะมีข่าวว่าพระพระมรณะภาพเนี่ยครับแล้วก็ฟื้นกลับมาแล้วก็ได้ไป ท้องโลกหลังโลกหลังความตายอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นไม่ได้จริงนะที่ยานดับแล้วก็เกิดมาแล้วก็จะจำเรื่องราวเป็นไปได้นะคุณจ้าบอกสัตว์มีมีสัตว์บางประเภทที่มีการระลึกได้ถึงอดีตบ้าง อ, าอนาคตบ้างอย่างนี้นแล้วแต่อินทรีย์ของสัตว์แต่ละพวกไม่เท่ากันนะบางพวกก็ระลึกไม่ได้บางพวกก็ระลึกได้ได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะก็มีอยู่เหมือนกัน เกิอุบัติเหตุแล้วหัวใจหยุดเต้นบอกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าตอนนั้นได้ไปอีกโลกหนึ่งแล้ว น, นี่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้และเป็นไปได้ทั้งการปรุงแต่งของเขาด้วยจิต ค, คิดปรุงแต่งไปเองคื อ, อบางทีเองบางทีก็ไฟจริงมานะ อ, นอขออนุญาตเรียนถาม บครัที่เอาเอาไว้เป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับอค uh ือ huh. ว่าพวกผมมันนายทหานใหม่ก็เลือกนายไม่ได้นะครับอ uh huh. ก็บางที่บางหน่วยอย่างหน่วยผมก็นายนายก็ชอบเที่ยวชอบอะไรอยู่นะครับ uh huh. สุรามาเป็นระยะระยะเนะี่ย uh huh. <laughs> คือคือถึงแม้ว่าถ้าเกิดตัวผมตั้งกิจได้ว่ากินเพราะว่านายสั่งแต่ว่าถ้ามัน ไปเรื่อยๆจนเป็นแอลกอฮอลิซึมเข้าในตัวผมเนี่ยพระอาจารย์มีวิธีคำแนะนำไหมครับตอนสมัยที่พระอาจารย์ท่านเป็นผู้ ห, ผหมวดเนี่ยครับจ ะ, จะผ่านวิบากกรรมตรงนี้ได้ย <c oughs> ัมันก็พยายามทำให้น้อยที่สุดนะคื อ, อย่างอย่างพี่ที่หน่วยผมนี่ค่อนข้างจะเยอ ะ, ะครับแล้วก็กิเลสหนัก <c oughs> คือว่าซับซับซั บ, ซบสลิงคานมันพร้อมให้เสกกิเลสเข้ามาทั้ง<ช>สุราแล้วก็<ช>นารีโ<ช>ดยเฉพาะนารีคือว่าคือว่าถ้าผมจะถ้าเกิดถ้าผมทานทานเหล้านะครับแล้วผมนึกถึงคุณพระรันตนาไตตอนนั้นผมจะบาปนะครับหมายถึงว่าดิง เป็นศาสนามาต่อสู้กับสุลาอ่ไม่ไม่แบบถือว่าเป็นการที่มักสู้กับกิเลสนะอะมักกิเลสมันต้องสู้กันหรือว่าใครจะแพ้ใครจะช น, นะไงคือแต่ถ้าเกิดผมหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไปผมก็จะดูเป็นแบบน้องที่หัวแข็งน้องที่ไม่ดีก็ยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นไปบ้างไม่ไปบ้างนะหรือไปก็ดื่มอ่ะที่ชวนก็ดื่มไม่ชวนก็นิ่ง นะ <c oughs> ใช่ไหอ่าหรือดื่มก็ดื่ ม, มนิดนึงแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องใช้ปัญญาลูกล่อลูกชนกันหน่าดูนะ <c oughs> ใช่ไหมเป็นเป็นปัญหาที่เพื่อน <c oughs> ๆหลายคนก็ <c oughs> ก็พบเจอครับอ่าฮะทีก็บางทีไม่ไม่มาเป็นแก้วอา ม, มาเป็นขวดเงี้ย <c oughs> ครับก็พระธรรมก็เอาผมไม่อยู่มันมันมันวูบ เ่อค่อยๆวูบบ้างมีสติบ้างนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจางไปจางไปทีเล็กทีน้อยนะก็อาจจะตีกรอบอ่ะค่อยๆตีกรอบมาเลยถ้าเราอยู่เดียวๆเราไม่กินไม่ใช่พี่ไปอยู่เดียวก็กินเหมือนกันพี่ไอ้นี่เป็นนิสัยเลยเนี่ยใช่ไหมก็ยังถือว่าไม่ผมก็ไม่ได้เจตนาครกบก็บาปไม่เยอะถูกบครทับถูกบครับครับ คือสุลานี่นี่บัญญัติยากคือสุลาจะไม่ถูกบัญญัติในมรรคมีองศานะคือไม่ไม่ขวางการบรรลุธรรมนะแต่ถ้าทำมากจะเป็นไปเพื่อนารกบรมในสา ร, ร, รเปรวิสัยถ้าทำไม่มากเนี่ยเป็นไปเพื่อความวิปลาศแต่ขณะเดียวกันสุลาเนี่ยดื่มเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมะบรรลุได้เหมือนกันนะก็เลย ดูแล้วเราจะเห็นว่าในมรรคแปเนี่ยไม่มีการบัญญตัติเรื่องสุลาไว้ดึมสุลาเห็นนะเป็นมุมที่แปลกแต่จะถูกบัญญัติในเรื่องของสินห้านี่เป็นมุมสังเกตนิดหนึ่งจะขอเล่าจะใจชื้นขึ้นนิดหนึ่งขอญาตเรียนถามครับเรื่องการไปวัดนะครับจะมีพวกปล่อยหอยขมปล่อยนกปล่อยปลาอะไรเงี้ยครับ เนื่องจากในในช่วงสงการนะครับผมผมมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมในวัดวัดนึงครับเขาบอกว่าแทนที่จะได้บุญกลับไม่ได้บุญครับเพราะว่าอ้างว่าไม่เป็นธรรมชาติครับแล้วก็จะเป็นบาปด้วยที่ว่าไปสนับสนุนให้เขายังหานกหาหอยขมหาเต่าอะไรอยงี้ครับมามาปล่อยครับแทนที่ว่าชีวิตจะดีกับกับเป็นขมขืนมันหอยขมอะไรอย่งนี้ครับก็อยากจะทราบว่าตามพุทธวจนะนี่ ว่ายังไงบ้างครบงับเรื่องนี้ผู้เจ้าไม่ได้แนะนําให้ไปปล่อยนอกปล่อยปลาอะไรแนะนําให้รักษาศีล <c oughs> การที่เราไปปล่อยเนี่ยจะปล่อยอีกสักกี่เที่ยวอะ่ะนะแต่ผู้เจ้าบอกแค่มารักษาศีลเนี่ยชื่อว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศละเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเลยไม่ต้องไปวิ่งปล่อยนอกปล่อยปลา ก, กันร้อยรอบพันรอบรักษาศีลแค่นิดเดียวก็คือชื่อว่าเป็นการให้ทานชีวิตไม่มีประมาณละนี่คือมุมที่ที่บางทีเรามองไม่ค่อยออก เรื่องถวายสังฆทานครับมีคนเคยบอกว่าถ้าถวายสังฆทานสดอย่างเงี้ยพวกอาหารเนี่ยครับแล้วพระฉันเนี่ยจะได้บุญเลยครับแต่พวกสิ่งของเครื่องใช้อย่างเงี้ยครับถ้าพระนํานําไปแล้วก็นําไปไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ก็จะไม่ได้บุญนี่จริงๆรงหรือไม่ครับอืมก็ปันธงขนาดนั้นไม่ไม่ได้นะคือถวายอะไรก็ได้ได้ได้นิสงหมดนะคือได้ตั้งแต่จิตเราเนี่ยตั้งเจตนาแล้วก็ได้นิสงแล้วนะ สวนจะมีนิสสงเพิ่มเติมเช่นว่าถวายด้วยความเคารพถวายด้วยความน้อมน้อมถวายด้วยศรัทธาอย่างนี้ยนะถวายด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้นี่เรื่องเกี่ยวกับทานของสัตว์ตรุษคนดีพระเจ้าจะตัดบอกไว้แล้วก็มีปิติสุขในขณะที่ก่อนให้ขณะใ ห, ะให้แล้วก็หลังให้ไม่ใช่ให้เสร็จแล้วโอ้เสียดายไม่น่าให้เลยอย่างนี้นะแล้วต้องมีความ ความปิติใจสุขใจนะ้นสกรัรพระคุณเจ้าครับคือในพุทธศาสนาครับรูปผู้ชายนี้จำเป็นต้องต้องบวชต้องบวชไหมครับเอ่อไม่ไม่จำเป็นนะแต่ขอให้มีการประพฤติปฏิบัตินะถ้าโยมได้ปฏิบัติเนี่ย <c oughs> นั่นคือดีที่สุด โยมมาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็เท่านั้นนะ่ะมาบวชแล้วก็ทําผิดศีลหรือว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติมักมีองค์แคือสําคัญที่สุดคือมักมีองค์แได้น้อมเอาไปประพฤติไหมทางกายวาจาจิตนะแต่ถ้าใครได้บวชก็ดนะีแต่ขอให้บวช ด, ด้วยด้วยความตั้งใจด้วย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติก็ใช้ได้นะครับนำ้นำหัสังกัดคุณเจ้าครับเมื่อสักครู่ผมมีโอกาสาธธาได้อ่านพุทธวจนะเล่มสิบครับเรื่องการปฏิบัติต่อบิดามารดารว่าถ้าเกิดเราจะปฏิบัติต่อบิดามารดาเช่นการนวดการเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้บิดามารดาในหนังสือเล่ม น, นี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้หรือว่าไม่มีโอกาสาที่จะไปพบบิดามารดาแล้วเราควรจะทําอย่างไรที่ ให้มันใกล้เคียงกับสิ<ม>่งที่ได้ารร า, าได้บรรดาลงครับก็ถ้าไม่ได้มีโอกาสส่งหนังสือไปให้ท่านได้มไหมล่ะส่งซีดีไปให้ท่านให้ท่านได้ฟังยังมีโยมคนหนึ่งเขาก็อยากให้พ่อเขาเนี่ยได้ฟังธรรมะเขาก็อุตส่าห์นิมนต์นตมาไปที่บ้านแต่พ่อเป็นคนที่ห่างไกลธรรมะมากพอเจอพระปุ๊บขับรถหนีออกนอกบ้านเลยนะไม่ได้ฟังอีกละโอ้ลูกเอ๊ะทำไงดีนะ ามาไปฉันเสร็จบรรยายทำเสร็จกลับ <c oughs> เขาก็ตกบ่ายก็ไปส่งพ่อกลับบ้านที่ต่างจังหวัด3มชั่วโมงต้องเดินทางเขาก็เอาซีดีจตมาเปิดในรถไฟบังคับพ่อฟังไปตลอดทาง3มชั่วโมงพอถึงบ้านต่างจังหวัดพ่อบอกว่าลูกมีซีดีอย่างนี้อีกแผ่นไหมอ่าลูกเนี่ยชื่นใจเลยบอกอ่าเอาละได้ผลละเห็นนะก็พยายามมาพยายามทุกวิถีทาง เราส่งซีดีไปส่งเครื่องเล่นไปด้วยนะเดี๋ยวมีแต่แผ่นไม่มีเครื่องเล่นส่งหนังสือส่งอะไรไปให้พอ่อให้แม่อย่างเนี้ยนะเพราะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนหลายๆคนแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองครับมันไม่มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านหรือว่าโอกาสที่ได้กลับบ้านน้อยมากนี้ครับก็คือซึ่งการปฏิบัติของลูกนี้ครับซึ่งที่อยากจะปฏิบัติประทานให้ดีที่สุดนะครับ ท, ที่แบบว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจตอน ตอนหลังจากที่ท่านร่วงรัไปแล้วนะ่ใช่เนี่ยทําอย่างนี้แหละดึงพ่อแม่ให้มีศรัทธาให้ท่านรักความจริยให้ท่านมีศีลให้ท่านมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงโทรศัพท์คุยกับท่านก็คุยธรรมะพระผู้เจ้านะบอกพ่อแม่บอกที่ลูกส่งไปเนี่ยหนังสือเนี่ยแม่พุทธวจนะทั้งนั้นเลยนะแม่ช่วยอ่านเลยนะนะซีดีเนี่ยเป็นพุทธวจนะนะถูกถ่ายทอดมายังไงเนี่ยเราสรุปภาพให้ท่านเห็นท่านจะได้ฟังไปเรื่อย ที่ครอบครัวตามาเหมือนกันก็คอสาวกนะไม่ฟังพุทธวจนะนะก็วันดีคืนดีมีลูกศิษย์ที่เขาศรัทธาพุทธวจนะเขาก็ส่งซีดีไปให้ส่งเครื่องเล่นไปให้โยมที่บ้านอาตมาโนะยมเาก็เออมีของใหมนะ่เปิดหน่อยสิเปิดไปเปิดมาฟังไปฟังมาเออเริ่มเข้าใจเริ่มมีศรัทธาเห็นนะแต่ถ้าเราไปบอกเนี่ยบางทีไม่ไม่ศรัทธาไม่ไม่เริ่มใส แต่พอคนอื่นเนี่ยอ้อมไปบอกเอาธรรมะไปให้ฟังเออนะเกิดศรัทธาขึ้นมาอยแล้วแล้วถ้าสมมติว่าบิดามารดาแบบว่าเคยฆ่าสัตว์ตาชีวิตนี่ครับเพื่อที่จะมาเลี้ยง<ๆ>เลี้ยงดูเราไงครับสมมติว่าพ่อแม่บางคนเคยแบบเพื่อที่จะมาขายแบบว่าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแบบมันตกสู่ที่ลูกครับแล้วแล้วเราสามารถช่วยได้ไหมครับอืมไม่ไม่เกี่ยวกับเราพ่อแม่ทําก็พ่อแม่นะ ตัวเราช่วยพ่อแม่ได้ก็ด้วยให้ท่านมีมีธรรมะของผู้เจ้านี่แแก้กรรมได้ตรงนี้ได้ไม่ไม่ยากรู้ลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆนะมีโยมที่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็อฟังธรรมะตามานะที่ตามาถ่ายทอดพุทธวจนะไปเนี่ยธรรมะผู้เจ้าเนี่ยนะไปให้เนี่ยเขาเข้าใจพอดีแม่เขาป่วยอยู่ที่อังกฤษพอดีแล้วก็อไม่รู้เรื่องอะไรละ แต่เขาก็าได้ยิ น, นธรรมาเคยบอกว่าคนที่เป็นอมตพึ่งอมภะพาดอะไรเนี่ยอย่างน้อยหูนี่จะได้ยินหรือป่วยขนาดไหนก็หูยังได้ยินเขาก็ให้เอาโทรศัพท์บอกพี่สาวให้เอาโทรศัพท์เป็นแน่หูแม่เดี๋ยวก็จะให้ธรรม ะ, ะเขาก็จำธรรมะพระผู้เจ้าได้ก็บอกให้แม่อยู่กับลมหายใจตลอดนะแม่ละความเพลินนะอย่าไป อ, าอย่าให้จิตคิดเรื่องอะไรต่อนไรนนะ บอกถ้าแม่เข้าใจให้กระพริบตาหรือกระดิกนิ้วสักนิดหนึ่งแม่กระพริบตาแม่กระดิกนิ้วนะเขาดีใจมากเลยเขาบอกพี่สาวเห็นไหมบอกแม่ได้ยินนะก็โทรบอกแม่เรื่อยๆผลที่สุดแม่เสียชีวิตแต่บอกแม่เสียชีวิตด้วยความสงบมากผิวพรรณผ่องใสไปหน้ายิ้มนะเพราะนั้นคนที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขาละสังโยชน์ไม่ได้เขาจะละสังโยชน์5ได้ ถ้าใครละสังโยชน์ท่าแล้วจะได้เป็นพระราหันอย่างน้อยแม่คนเนี้ยเผยเผยได้ถึงอนาคามีบุคคลนะอา่เอาเนี่ยอา น, นิสงส์ของใครก็ได้ยังไม่เป็นอะไรเลยนะศูนย์มาเนี่ยก่อนตายเนี่ยเอาคําพระเจ้าไปให้เขาฟังพระเจ้ามองแล้วว่าคนก่อนตายเนี่ยอินทรีย์พอนา ม, มันมากมันเหนื่ยแลตายจริงเนี่ยพอพระเจ้าพูดเนี่ยเข้าเข้าหัวหมดอ่ะเพื่อนอาตมาเนี่ย ตอนยังดีอยู่เนี่ยเตือนไม่มีเชื่อหรอกนะรูปหลอ่อพ่อรวยกินเหล้าเมายาเที่ยวสนุกสนานเพื่อนผูกเตือนก็ไม่เชื่อไปตรวโลคอีกทีมะเร็งกินแล้วนะพอมะเร็งกินก็โอ้โหทีนี้หนังสือพัเต็มหัวนอนเลย <c oughs> เริ่มศึกษาแล้วนะอาจารย์โนอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยเราพูทถวนจะนะไปให้อะไรเนะี่ยพูทถวนจะนะของอาจารย์ไหนกันละงงใช่ไหมเห็นนะไม่รู้จกักอีกคำศาสดาตัวเองไม่รู้จักก็กว่าจะมาแยกแยกกว่าจะมาอะไร นั่งอ่านไปอ่านมาหกเดือนเสียชีวิตไปแล้วมะเร็งกินเห็นนะเนี่ยเรลาอย่า ก, กินเยอะนะมะเร็งนะเ <c oughs> ที่ยวเตอีกคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็นอนดึกอย่างเนี้ยนะสุขภาพดีแรกๆแล้วมันก็ไม่ไหวอยู่ๆทำงานล็อกหัวใจวายตายไปเลยร อ, อที่อันดับหนึ่งของรุ่นเลยเนี่ยตายไปซะแล้วนะแม่เสียดา ย, ยาจริงๆครับแล้ว เพราะฉะถามเรื่องถ้าเกิดสมมติว่าถ้าถ้าปฏิบัติตามหลักพุทธวจนะนะครับและอย่างเช่นแบบว่าในแถวบ้านผมครับมันจะมีความเชื่อศาสนาพิธีเช่นอย่าแบบว่าการเลี้ยงผีอย่างนี้ครับและพอถึงวันดีคืนดีบางคนแบบโดนผีเข้าหรือว่าเป็นอาการจิตอันนี้พิสูจน์ไม่ได้ครับแล้วจะมีหลักยังไงที่แบบว่าให้คนรอบข้างเขาเชื่อจะเขาเชื่อได้ว่าพระพุทธศาสน า, าสามารถช่วยได้ครับถ้าเกิดไม่มีการทําน้ำมนต์ไม่มีการตั้งคาถาอะไรองี้ครับในเวลาให้เขาอยู่กับลหมหายใจไว้ มีผู้หญิงคนหนึ่งจะมาไปบรรยายที่หอประชุมที่หนึ่งก็ามาคุยธรรมะบอกเนี่ยเขาชอบปี่เขาสะพกพากันนอนดิ้นไปเลยนะเราก็บอกโยงหายใจเข้าไว้หายใจเยอะๆนะอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งหายคือให้จิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กับกายนะมันจะไม่มีปัญหาอะไรไอ้คนที่มันมีปัญหาเนี่ยจิตมันไปปรุงแต่งไงอ่านะมันไปปรุงแต่งนั้นะมันก็เป็นไปตามความปรุงแต่งหนึ่งเป็นไปตามความปรุงแต่งของมันนะ ส่วนอีกอย่างพอจิตมันออกจากกายแล้วกายมันว่างปราศจากวิญญาณนั้นนะมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเขาได้ดังนั้นผู้เจ้าเนี่ยให้เอาจิตกลับมาอยู่ที่กายซะจะไม่มีอะไรทำอันตรายเราได้หลักการแค่นี้เองอย่าให้จิตส่งออกจากกายไปจะเปรียบเหมือนแพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอเธอขาดทันทีนะถ้าเราส่งจิตออกนอกกายนะผู้เจ้าพอมาเปรียบเหมือนหญิงงามกาลัง นายชนบทกําลังขับร้องฟ้อนลําข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางไปดูหญิงงามมีชายคนนึงรักสุดเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินไปดูเขาด้วยแต่ผู้เจ้าบอกว่าชายคนนี้ให้ถือหม้อน้ํามันอ่าถือหม้อน้ํามันไปมีน้ํามันเต็มเปลี่ยนปากหม้อนะขณะที่ถือไปเนี่ยก็มีบรุษอีกคนนึงเดินถือดาบมันคมผิบตามไปข้างหลังผู้เจ้าบอกว่าขณะที่ชายหนุ่มคนนี้เดินประคองหม้อน้ํามันมาอย่างดีผ่านที่ กลุ่มหญิงงามที่กําลังขับร้องฟ้อนหลรำผู้เจ้าถามสาวบกชายคนเนี้จะสนใจหญิงงามหรือสนใจมอส น, น้ำมันอาสาวบกบอกมอส น, น้ำมันแน่นอนหยดเดียวตายเนี <c> ่ย <oughs> คอจะขาดอยู่วิบๆอยู่เลยผนะู้เจ้าบอกชันใดก็ฉันนั้นจิตเธอเนี่ยต้องตั้งไว้ที่กายผู้เจ้าบอกเปรียบมอส น, น้ำมันด้วยกายยักคตาสติเราต้องตั้งจิตให้มั่นอยู่กับกายนะมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้ไปไป <c oughs> ครับแลเพราะว่าผมเคยเห็นแม้กระทั่งพระเองนี่แอกว่าเลนขนคาถาครับพวกเช่นคาถาต่างๆเวลาในเช่นแบบว่าอะไรใส่ตะขาบหรือว่าอะไรพวกนี้มันเป็นมันเป็นจุดของศาสนาที่แบบว่าไม่เกี่ยวเลยใช่ผู้เจ้าห้ามทําหมด <c oughs> ซึ่งผู้เจ้ามองพวกนี้ว่าเป็นพวกมิจฉาอาชีโบเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำในรฌานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วคืออะไรบ้าง <c oughs> ผู้เจ้าบรรยายมายาวเลยนะ ดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะคลอปปลูกเศษเลขยันเนีย่ยพวกปลูกเศษทั้งหลายพวกทําน้ำมนต์พวกหลายพวกนี้ผู้เจ้าห้ามหมดเลยนะห้ามพิกษุน์ทำบอกพิสูจนในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตปิดเพราะทําเดรฉานวิชาเห็นปัญานั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งสัมปนาศีลาความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีอาการอย่างนี้เห็นนะเนี่ยพระเราไม่ได้ศึกษาคําศาสดาแล้วก็เกรงใจกันไป พอไปถามพระพระทำทำไมโอ้ยญาติโยมเขาอยากได้เก่งใจทําให้เขาเนี่ไปอ้างโยมิงนะโยมมาผิดนั่นน่นอะอเขาไปโยนความผิดมาให้เราะ่ะที่เขาทาเพราะว่าเราอยากได้น่ ะ, ะจริงๆผู้เจ้าเนี่ยห้ามบัญญัติห้ามพิสูจทําำแล้วแล้วเวลาบุคคลผู้ร้องรับไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรายังนึกถึงอยู่แสดงว่าจิตวิญ ญ, ญาณเขายังไม่ไม่ไปสู่สุคติครับถ้างั้นไม่ไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวกับเราสมุถ้าเเราเก็บเราเก็บของไว้แบบว่า เก็บของผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นเสื้อผ้าหรือว่าอ uh huh. สมบัติอะไรต่างๆครับแล้วผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเขาจะยังอยู่ไหมครับหรือว่าไม่อยู่อยู่ที่ว่าเขายึดหรือไม่ถ้าเขายึดเขาก็มาเกิดตรงนั้นภิกษุห่วงจีวรพอตายไปเกิดมาเกิดเป็นตัวเลนตัวลายในจีวร อ, นะอยู่ที่ว่าจิตนี่มีอุปท า, านความยึดมั่นไหมนะถ้าไม่มีอุปท า, านก็ไม่มีอะไรก็ไปเกิดคือตายแล้วไปเกิดทั้งนั้นเหมือนเรานั่งอยู่ขณะเนี้ย จิตแล้วก็ไปสร้างการเกิดตลอดเวลาเลยพบชาติชร า, ามานะเกิดตลอดเวลาเรามองพบเนี่ยเรามองแค่รู ป, ประท่าคิดว่าร่างกายตายถึงจะเปลี่ยนพบแต่จริงๆพบหมายถึงการเกิดของวิญญาณขันหรือจิตเราดังนั้นเนี่ยพบเกิดตลอดเวลาขณะเรานั่งอยู่เนี่ยเราไปคิดเรื่องอะไรก็ตามพบเกิดละพอเราร่างกายเกิดตายไปพอดีอัตภาพใหม่ได้ทันทีตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด ใ น, นเช่นแต่ว่าถ้าเกิดเราคนตายไปแล้วเราสร้างโกรธให้หรือว่าสร้างอะไรให้มันจะเป็นการระลึกถึงนี่ครับหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเรานํากระดูกไ ป, ปลอยอังคารเลยโดยที่ไม่มีโกรดนี้เขาจะเขาจะไปเกิดแล้วเราเวลาเราทําบุญไว้ให้เขาจะได้รับได้สําเร็จที่เจตนาผู้ชายบอกเราเกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมเป็นตัวเป็นเจตนาเป็นตัวกรรมสําเร็จที่ตรงนี้ไม่ได้สําเร็จที่โกรธที่ไหลคือสามารถสลายไปได้หมดเลยพวกกระดูก กระดูมกระดูกอะไรพวกนี้สลายไปได้หมดบุคคลผู้ควรทำศัตรูไพยก็มีแค่สี่บุคคลแค่นั้นอรันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจผูช้าตถาคตาสาวกโกคือสาวกของตถาคตพระมหาจักรพรรดินอกนั้นีงไม่จำเป็นครับขอบคุณครั บ, รบเมื่อก <c oughs> ูเรื่องถามเรื่องขอาบุญเรื่องครามอ้่ง <c oughs> องใจอยู่น่ก็คือ <c oughs> อย่างการทําบุญเป็นกลุ่มเป็นคณะทำบุญในนามกลุ่มเะครอย่างทำบุญในนารุ่นถ้าเกิดทําทําก็เอาในรุ่นมาทำนะครับโดยมติว่าแต่ว่าในอนาคตบางครั้งเนี่ยการทําไปบเพื่อนบางคนก็อาจจะไม่รับรู้รับทราบอย่างนี้เขาจะได้บุญได้บุญนะครับเพราะว่าเราเป็นคนของส่วนที่เขามีส่วนด้วยใช่เขาก็ได้ได้มีส่วนในการเสียสละเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่เขาเขาจะได้ได้นิสงในระดับของการเสียสละเพื่อส่วนรวมแท่นั้นเขาจะไม่ได้เหมือนกัน การให้ให้กับพระหรือว่าให้กับอริบุคคลเหมือนกับมีเรื่องที่เออกขิเวสนะเป็นนักโต้วาทะลมาโต้วาทะกับพระเจ้าเขาบอกเขาเป็นนักล้มนักล้มวาทะของคนใครก็ตามที่โต้วาทะกับเขาเนี่ยเงือยหยดหมดนะเขาบอกแม้แต่เสาหินเนี่ยที่ไม่มีชีวิตยังต้องสันรนลัวเวลาเขาโต้วาทะอ เพราะนั้นเขาเลยบอกเดี๋ยวเขาจะล้มวาธ้าผู้เจ้าให้ได้เขาก็ชวนเจ้าฤชวีมาห้าร้อยมาเป็นพยานนะวันนี้จะโค่นล้มวาทะของสมณะโคโดมให้ได้ <c oughs> ผลที่สุดโต้กันไปโต้มาพระสูตรนิยาวลองไปนั่งงานดูขีย์คำว่าอคิเวชนะเข้าไปกันเลนะนะเสร็จแล้วเรากดว่า <c oughs> แพ้ผู้เจ้านะผู้เจ้าก็เลยบอกว่าอคิเวชนะตอนเนี้เหลือท่านหยดแล้วนะ ตกลงจากหน้าผากกระทบผ้าของท่านแล้วยดลงที่พื้นส่วนเงือเราเนี่ยไม่มีสักหยดเลยนะจะว่ายังไงกันน ะ, อ, ะอักขิยศนผลที่สุดก็ยอมแพ้ผู้เจ้าก็เลยแต่ยังไม่เปลี่ยนความเห็นตัวเองหรอกแต่รู้สึกว่าผู้เจ้าเนี่ยเก่งยอมรับละว่าแพ้นะแล้วก็เลยบอกให้เจ้าลิชวีกษัตริย์500ร้อเนี่ยทำอาหารมาให้กับตนเองแล้วตนเองก็ถวายให้ผู้เจ้าต่อ แล้วอคิเวสณาก็บอ ก, กว่าขอให้เจ้าลิชวีเนี่ยได้นิสงเหมือนกับที่ถวายให้ผู้เจ้าผู้เจ้าบอกไม่ใช่เจ้าลิชวีจะได้นิสงเท่ากับการถวายของให้กับเจ้าอคิเวสณาผู้ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นะแต่เจ้าเนี่ยจะได้อ น, นิสงเท่ากับการถวายของกับเราผู้หมดความโลภโกรธหลงแล้วดังนั้นเนี่ยถวายของอย่าลูกชิงนะถ้าลูกชิงปุ๊บเนี่ย น, นิสงหลุดไปหน่อ ย, อยเลยนะเพราะฉะนั้น คนนั้นเนี่ยก็เหมือนถ้ามองเปรียบเทียบลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เขาก็เหมือนได้นิสงเท่ากับการการสละทรัพย์ให้กับหมู่คณะอ่าแต่หมู่คณะที่คนที่มีความตั้งใจให้กับสมมุติว่าให้กับพระอริยะคนคนนั้นก็จะได้นิสงโดยตรงอย่างนี้อ่าแต่ครับแลวอย่างพ่อแม่ให้เงินให้เงินบุตรครับแล้วบุตรเอาเงินตรงนี้ไปทําทําบุญเนี่ยพ่อแม่จะได้จะได้ได้ได้ไดนิสงเท่ากับ พ่อแม่ทำเองครับพ่อเป็นเงินของพ่อเองแม่มคล้ายๆกันพ่อแม่ก็ได้อนิสงส์งเท่ากับให้กับบุตรซึ่งบุตรอยู่ที่บุตรมีศินไม่มีศินซึ่งพระเจ้าจะเทียบอ น, นิสงส์ก็เช่วนว่าให้ทานกับคนทุศินมีอนิสงส์มากกว่าให้กับเดรชาณให้ทานกับปุถุชนธรรมดามีอ น, นิสงส์มากกว่าการให้กับปุถุชนผู้ทุศินให้ทานกับปุถุชนผู้ปราศจากลาภมีอนิสงส์มากกว่าให้ทานกับปุถุชนทั่วไปให้ทานกับ อริยะนะ่ะผู้มีสินก็นได้มากกว่าเป็นแสนโกรเท่าอย่างนี้ก็ไ ล, ล่ลำดับไปการอนุโมทนาคำว่าอนุโมทนามีในพุทธวจนะอยู่เป็นการจริงๆถ้าในการอนุโมทนาวัดอย่างที่พระธรเนี่ยเป็นการบอกเหตุปัจจัยอย่างในเนี้ยเราจะมีการพิมพ์คำแปลไว้ ว่าอย่างคําอนุโมทนาเมื่อเช้าเนี่ยจะ แ, แปลว่าอย่างนี้นผู้มีปัญญาให้อายุให้กําลัง<ม>ให้วันณะให้ปฏิพานผู้มีปัญญาให้ความสุขย่อมได้ประสบความสุขบุคคลผู้ให้อายุให้พละวันนะสุขะและปฏิพานไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้พระุทธเจ้าบอกเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งสิ่งนั้นนั้นบอกเหตุปัจจัยของการกระทําว่าที่เธอกระทำเนี่ย จะส่งผลอะไรนะหรืออีกบทหนึ่งจะบอกว่าผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความเจตนนะีย่อมถวายทานตามกาละสมัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วทักษินาทานย่อมมีผลอันไพยบณ์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วงอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนี้ ทักษินานั้นมิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยดังนั้นใครมาขวนขวายช่วยเราทำบุญเนี่ยเขาจะได้บุญไปด้วยและบุญของเรานี้ก็ไม่พร่องส่วนเขาก็ได้อันนี้สงไปด้วยนะแม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมากบุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายในการข้างหน้าได้แล คำแปลของบทอนุโมทนาดังนั้นไม่ใช่เป็นการเป็นการอวยพรหรือให้พรว่านะ อ, อ๋อขอให้รวยขอให้อะไรนะอย่างนี้แต่เป็นการบอกว่าความดีที่ที่เราทั้งหลายกระทําที่พวกเธอกระทำเนี่ยจะส่งผลอนิสง์อะไรบางอย่างนี้ อ, อย่างที่อย่างอย่างความเชื่อของปัจจุบันว่าเห็นคนอื่นถวายทานแล้วก็โมทนาลุ่มของเขานี่จะได้ก็ได้อนิสงได้ได้ก็อย่างเนี้ยอนุโมทนาร่วมด้วยมีใจปิติยินดีไง เป็นมุทิตาจิตดีกว่าเห็นก็ให้ทานแล้วโหหมั่นไส้นี่ทาทานเอาหน้าเนี่ยไมีเข้าท่าอะไรอะไรอย่างนี้ น, นะใกล้เป็นมีจิตพยาบาทเบียดเบียนก็เกิดอกุศลขึ้นในจิตดังนั้นถ้าคิดคิดดีร่วมกับเขาเนี่ยก็เป็นมุทิตาจิตได้นิสงเกิดปิติเกิดความสุขเป็นไปเพื่อสุภติโลกสวรรค์ได้แล้วเมื่อผู้ที่อาจบอกว่า พ่อแม่ให้เงินบุตรเนี่ยก็พ่อแม่ไดอะไรที่สมากมายขึ้นอยู่เราว่าบุตรเป็นบุตรเป็นผู้มีติทหรือไม่นี่นั่นต่อไปนี่เกิดแต่รับของจะพ่อแม่ก็รักษาสินก่อนรักษาสินก่อนอ่าใช่ใช่ใช่พ่อแม่ได้อะไรที่ใช่เพื่อให้เราเนี่ยเป็นเป็นทักคือเนยญาบุคคลบุคคลผู้สมควรรับทานหรือไม่ก็นั่งสมาธิก่อนก็ได้อ่าทาสมาธิเสร็จแล้วก็อ่ะพ่อให้กัน มาสการคุณเจ้าครับคือว่าอยากจะไขข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคน uh huh. คือการที่เราตามความเชื่อที่ว่าการอกินข้าวกล่นบาตหรือว่าได้ได้กินของที่ถวายแล้วอย่าเงี้ยครับจะได้บุญนะครับมจริงไหมครับ mm hmm. เพราะบางครั้งอยากได้บุญมากจนต้องแย่งกันอ๋ อ, อ, อไม่ไม่มีบัญญาติไม่มี <laughs> ไม่ต้องแย่งกันขนาดนั้นนะ อ, อ, <laughs> อาจจะคือคือบางที พวกผมอาจจะเข้าใจผิดนะว่าไ ด, ไ ด, ได้ได้บุญอะไรเงี้ยครับไม่มีแค่แค่ผู้เจ้าอนุญาตให้ภิกษุที่อยากจะฉันมือที่สองเนี่ยฉันอาหารของภิกษุที่ฉันเหลือได้เพื่อไม่ให้อาหารเหลือมันมีเหตุว่าเอาอาหารเหลือเนี่ยไปทิ้งจนบูดเน่าแล้วก็กลิ่นเหม็นทั่วอารามน ะ, ะผู้เจ้าเลยอนุญาตให้ฉันมือที่สองได้ในกรณีอาหารที่เป็นเดนโดยบัญญัติว่าหนึ่งภิกษุใดนะฉันเสร็จ ห้ามเสร็จแล้วคือห้ามพัดแล้วบอกห้ามเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันมิเชิเดน่นเป็นปาจิตตีภิกษุฉันมือที่สองเนี่ยจะถูกปรับอับัตปาจิตติเว้นแต่ฉันอาหารที่เป็นเด่นเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ฉันมือสองเนี่ยฉันอาหารถวายใหม่เท่านั้นจะโดนอาับาัตปาจิตตีทั้งนั้นก็คือที่ผ่านมาเราเข้าเข้าใจกุสโลบายผิดไปใช่ใช่เข้าใจผิดไปบางทีก็โดนว่าทหารแย่งประชาชนกินอย่างนี้ย อ๋อใช่ใช่ <c oughs> ผมรู้สึกเป็นทุกข์มากออออสุดท้ายของผมครับคือประพฤติปฏิบัติดีที่สุดปฏิบัติบูชาชื่อว่าเป็นการบูชาตถากตอย่างสูงสุดแล้วคืออย่างผมกลับไปนี่คือได้ฟังเพื่อนแล้วก็อยากจะนำซีดีไปให้คุณพ่อฟังในในรถในบ้านนะครับแต่ว่าพ่อผมไม่ไม่เขาไม่ค่อยชอบดูถอดทักก็จะเอาไปเปิดในรถแต่ว่า คืออยากจะทราบว่าจะบาปไหมครับถ้าผมเปิดแล้วพ่อฟังแล้วหลับในเป็นคนขับด้วยหรือเปล่าพ่อพ่อขับรถคนเดียวกลัวคือกลัวว่ากลัวว่าถ้าแทรกไม่ทึนครับอ๋อหลับในอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งก็ต้องลองก่อนต้องลองก่อนส่วนใหญ่เขาลองกันมาแล้วนี่ได้ผลหมดตาสว่างยันปลายทางเลยนะ มันต้องลองมันต้องลองต้องลองต้งลองตั้งลองครับครับธรรมบรรยายนมามันมันนะฟังแล้วแบบโอ้โหคนฟังติดใจในตลอดทั้งสามสี่ชั่วโมงนะที่ขับรถไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟีดแบ็กลับมาคือเขาบอกอย่างนี้ทั้งนั้นนะอะ่าก็เลยบอกไอ้ต้องลองก่อนเผื่อจะเป็นรายแรกที่ที่หลับคงจะไม่หลับนะครับขอบคุณครับ ส่งเรื่องเรื่องลอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นมีความเป็นมา ย, ยัางไงไม่มีอ่ะอันนี้ก็แต่งขึ้นแต่งกันเองใช่ใช่มันมีแต่งอยู่ในในพระธวิดกอยู่แต่เป็นสาวกพาสิทิเป็นคำที่ถูกแต่งขึ้นทีหลังไม่ไม่ใช่พุทธวจนะอ่าเชเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนมไฟขึ้นมะนน่ะอย่างเช่น คนเราที่เกิดมาบนโลกครับตา่าง uh huh. หลายตา่ตางศาสนากันครับอย่างเช่นพุทธมุสลิมอิสลามเนีค่คนที่เกิดในศาสนามุสลิม uh huh. ถ้าตายไปแล้วจะจะไปพบพระเจ้าหรือว่าไปเกิดในกฎของศาสนาเขาหรือไม่ครับแล้ว uh huh. กรรมใดที่ทําให้เขาไม่ได้เกิดมาพบในไม่ไม่ไม่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เริ่มใสในพระพุทธศาสนาครับแล้วกฎการตายของแต่ละศาสนาจะเหมือนกันกับ พธศาาสนารจริงๆเหมือนกันเพราะว่าพระุทธเจ้าเนี่ยได้ไปค้นพบกฎธรรมชาตินะเหมือนเหมือนเราค้นพบที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแรงดึงดูดอย่างเนี้ยนะนะอิสลามไปโยนผ้าก็ตกเหมือนกันคลิปโยนผ้าก็ตกพุทธโยนผ้าก็ตกไปโยนที่ไหนประเทศไหนก็ตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนั้นคลิปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมอิสลามมีไหมพุทธมีไหม เซนมีไหมอินดูศ า, าสนาซิกมีไหมมีหมดนะ่นะ น, นั้นความความจริงตรงเนี้ยมันเป็นสัจจะที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเมื่อภาษากระทบแล้วจะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเนี่ยธรรมชาตินี้จะเป็นจริงไหลามาอย่างนี้ตลอดเวลาไปบรรยายให้อิสลามอิสลามยังเข้าใจเลยยังบอกทีวีอิสลามให้เอาไปถ่ายทอดทั่วโลกเลยนะตอนนั้นไปบรรยายจะมาเป็นตัวแทนพุทธ แล้วมีตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามไปคุยกันที่ไบเทคบางนาคนฟังห้าห้อเราจะเอาอะไรไปคุยกับอีกต่างความเชื่ออีกสองความเชื่อมันมาก็เอาปฏิจจสุวะไปคุยซึ่งพระเจ้าบอกไม่มีสมณาาพราหมผู้รู้ดใดๆเทวดามานผมคัดงานติดเตียนธรรมะตรงนี้ได้เลยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ตัวเขาก็มีและพิสูจน์ได้เป็นประจตตังคริสต์เดินห้างไม่เดินอิสลามเดินห้างไม่เดิน ตาสัมผัสเสื้อในห้างแล้วชอบไหมชอบชอบแล้วอยากได้ไหมอยากผัสสะกระทบเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานจ่ายเงินซื้อนี่เสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเสื้อห้างหายไม่ทุกถ้าเสื้อเราหายเราทุกเห็นนะมตรงเป๊ะหมดเลยไม่มีใครปฏริเสธได้อยู่นีน่วันนั้นกฎธรรมชาติตรงเนี้นรกสวรรค์นเนี่ยนะผู้เจ้าเข้าไปคนพบคนเจอซึ่งไม่ว่าจะเป็นจะ ไปนับถือลัทธิความเชื่ออะไรก็ตามมันจะเข้ามาสู่มาตรฐานตรงนี้หมดนะแล้วกรรมอะไรที่ทำให้เขาไปเกิดในศาสนาที่ไม่มีมรรคแปดก็เขาไม่มีโอกาสเป็นผู้ได้สดับในธรรมนะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยตรงนี้มาศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมของพวกนีมีน้อยศรัทธามีน้อยฮิริ ความละอายโอตปะความเกรงครัวต่อบาปวิริยะความเพียรปัญญาเห็นการเกิดดับนะในกุศลเนี่ยของพวกนี้มีน้อยเรากรรมอะไรที่จําแนกการเกิดของมนุษย์ระหว่างหญิงกับชายหญิงกับชายเนี่ยที่พระเจ้าบัญญตัติเรื่องของการการพอใจในเครื่องประดับของสตรีในอากัิยาของสตรีในเสียงของสตรีอย่างนีนะ้คือคุณสมบัติของหญิง เราไปชอบนะคุณสมบัติของชายอย่างนี้นะมันจะเป็นเหตุให้จิตน้อมไปสู่ตรงนั้นแล้วแต่ใครเนี่ยจิตน้อมไปตรงไหนนรมาสการพระอาจารย์คื อ, อผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดอได้มีโอกาสไปบวชนะครับแล้วออกบินทบาทหรือว่ามีช่วงเทศกาลอย่างเช่นสงการนะครับ ม, มีญาติโยมมา ามาบางสกุลหรือว่าเวลาเอาบินธบาตได้ยมถวายปัจจัยนะครับคือเราควรจะทำยังไงกับปัจจัยนั่นนะในเมื่อพระสงฆ์ไม่สามารถมีทรัพย์สินได้เราก็คือไม่รับไงไม่ไม่รับเลยใช่ปฏิเสธในครั้พุทธกาลเนี่ยมีคนเอาปัจจัยมาถวายเนี่ยพระต้องปฏิเสธในนิสสกีปฏิตธีข้อที่10ที่พู้เจ้าบัญญัติไว้ในสิกขาบทปฏิโมกเนี่ยพระราชานะเอาเงินมาให้ทูต บอกว่าเอาไปเอาเงินก้อนนี้ไปทำาีบอลให้กับพิสูจน์นะไทูดนี่ก็มาถึงพิสูจน์ก็ดันยื่นเงินให้กับพิสูจน์บอกว่านี่ทรัพย์สําหรจับจ่ายทวบอลนำมาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สําหรับจับจ่ายทีบอนั้นพิสูจน์นั้นต้องปฏิเสธว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรจับจ่ายทีบอไม่พวกเรารับแต่ทีบอนั้นเป็นของควรโดยการเมื่อทูดนั้นเนี่ยไม่สําเร็จประโยชน์ก็จะถามว่าผู้เป็นวยาวัจกรของท่านมีหรือ มีไหมใครที่ทํากิจตุลาแทนท่านได้ตัวพิสษจนต้องการจีวรไหมถ้าต้องการพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวยาวัจกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวยาวัจกรของพิสูจน์ทั้งหลายพระเป็นคนชีว้วยาวัจกรทูตเป็นคนถามคนที่อยากถวายนะต้องถามเราว่ามีใครรับเงินแทนให้ได้ไหมหรือทํากิจตุลาแทนเรื่องนี้ให้ได้ไหมถ้าเขาไม่ถามก็จบไปถ้าเขาขวนขวายต่อจะถามเราก็ตอบได้อย่างนี้พระต้องปฏิเสธ นั้นถ้าเราบินบาทแล้วเขาจะยื่นเงินมาเราก็ปิดบาทเราไม่รับนี่เนี่ยมรตการคุณครันะฮะเจนอยากทราบว่าคำถามต่ อ, อเพื่องมรตภูเขาคิดว่ากรรมที่ทำให้คนเกิดมาเป็นหญิงหรือชายครับแล้วกรรมไรที่ทำให้คนเกิดมาผิดเพศให้เกิดมาผิดเพศเหรออันนี้ยังไม่เจอนะแต่มีคนมีอาวัสองเพศมีพวกกระเทยมีแต่ไม่ ไม่เจอที่ที่ผู้เจ้าอธิบายว่าประเภทของกระเทยเป็นยังไงแต่จะมีคําสาวกที่แต่งขึ้นแบ่งกระเทยเป็นห้าพวกอย่างนี้นะส่วนเหตุปัจจัยของการเกิดมาผิดเพศเนี่ยยังยังไม่เจอคิดว่าอาจจะมีนะไม่แน่ใจนะอะถ้าใครสามารถสืบค้นเจอก็ส่งพระสูตรนี้นะมาทางอีเมลทางอะไรได้นะ อ, อีกหนึ่งคาถามครับเรื่องเกี่ยวกับอายุไขของคนเราครับอย่างเช่น บางคนครับตายเพราะว่าโรคสราหรือว่าป่วยเป็นโรคตายครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นที่ตายเพราะว่าอวดติเหตนครับหือว่าเขามีกรรมอะไรที่ทำให้เกิดหรือเปล่ า, าไม่แน่หมายถึงหมายถึงเขาเขามีบาปมีกรรมมากอย่างนี้เหรอถือว่าเขาสิ้นสุดอายุไขนะใช่สิ้นสุดอายุไขนะคือคนถ้าตายนะสิ้นสุดอายุไขแน่นอ น, นแล้วตายแล้วก็ไปสร้างอัตภาพใหม่ แล้วถือว่าวิญญาณเขายังวนเวียนอยู่ที่บริเวณที่ที่เขาเสียชีวิตดรือ่าเออคือวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิ ญ, ญญาณเมื่อแตกสลายแล้วจะไปสร้างการเกิดทันทีอยู่ตลอดเวลานะนะครับนมศิการพระคุณเจ้าครับอาาขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องในเรื่องของการทําบุญก็ดีในเรื่องของการภาวนาก็ดีนะครับผมเคยได้ได้ยินความเชื่อที่บอกว่า หลังจากที่เราทําบุญแล้วเราอุทิศส่วนส่วนตนให้ใครสักคนหนึ่งหรือวิญญาณใดๆที่เราอยู่รอบๆนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นวิญญาณหรืออะไรมาเหมือนกับมามาขอส่วนบุญมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงหรือไม่ครับที่แบบว่าถ้าเกิดเราจะระบุให้กับคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องแบบเหมือนกับเสียแรงบุญกําลังบุญลงไปเพื่อที่จะไม่ถึงคนนั้นประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่ระบบุชื่อทอง อ๋อถ้าไม่ระบุชื่อก็อาจจะเสียผลใช่ไหครับคือมันมีแบ่งเป็นกำลังของของบุญของอะไรอย่างอย่างที่เราว่าไวจริงไหมจริงถ้ากำลังเนี่ยมันจัดอยู่ที่จิตของเรามีสมาธิระดับไหนนะนั้นขั้นต่ำจิตจะต้องปราศจากอากุศลหรือนิวรห้าก่อนถึงจะทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาหรือว่าตั้งจิตบูทิบุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะ ในนี้ถ้าจิตเรามีสมาธิที่สูงขึ้นมากขึ้นเนี่ยกำลังของจิตจะมากขึ้นผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนน้าที่ไหลลงมาจากภูเขานะถ้าไม่มีซอกซอยเล็กน้อยซ้ายขวาที่ทําให้ทานน้ำเนี่ยมันแตกไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยน้ำนั้นจะมีกําลังมากไอ้ทางที่มันแตกแยกไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยผู้เจ้าเปรียบเหมือนนิวรหนะ้านิวรห้าเป็นตัวทําให้จิตเนี่ยถอยกําลังหมดกําลัง ดังนั้นถ้าเราละนิวรณ์ห้าได้ทําให้สายน้ำเนี่ยมันพุ่งตรงลงมาจากภูเขาล้วนๆเนี่ยนะตรงๆเนี่ยมันจะเป็นจิตที่มีกําลังมากนะดังนั้นการแผ่เมตตาการทิติปุลกุศลก็จะได้ผลมากนะได้ผลเต็มทีนะขอบพคุณครับครับน้มันสารพระคุณเจ้าแล้วเครื่องรางของขังนี่เป็นอวิชามไหมครับเอ่อพระเจ้ามองว่าเป็นเดรัจฉานวิชานะ ถ้าพระทำก็เป็นมิจฉาอาชีวโวเอาอย่างเช่นเวลาว่าถ้าหารจะไปลบอย่างเช่นในสมัยก่อนครับมีมมีภาพประเจียดอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเดรัจฉานวิ ช, ชาใช่ใช่แล้วทําให้ทําให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบรรดาให้เขาได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะจริงๆแล้วสิ่งที่บันดาลก็คือกรรมทางกายวาจาจิตของตนเองเลย ที่เราทํามาได้มากขนาดไหนและถ้าเราต้องการให้ธรรมะคุ้มครองเนี่ยคือเราต้องทำสมาธิซึ่งจะเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหม อ, อายักษ์สองตัวก็เดินมาเห็นพระสารีบุตรเพิ่งปงผมใหม่ยักษ์อีกตัวก็บอกเอ้ยสมณะนี่หัวสายดีเอากระบองฟาดหัวดีมั้งนะอะยักษ์อีกตัวก็บอกว่าเฮ้ยยาเลย สมณะสักยพุทิยะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอีกตัวบอกเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยเอากบองฟาดหัวภาษาลิบุตรเปียงเข้าไปอายักตัวก็วิ่งหนีไปเลยบอกเพนดีกว่านะอายักษ์ตัวที่ฟาดเดินไปสักพักธรณีสูบไปนะลงไปใต้ดินตายไปพระโมคคานะ <c oughs> นั่งสมาธิอยู่ข้างเห็นก็เลยรีบลุกมาหาภาษาริบุตรนกว่าเรียบร้อยไปซะแล้ว เรียกสารีบุดรบอท่านเป็นอะไรป่าบอกไม่เป็นอะไรรู้สึกเจ็บศีษะหน่อยหนึ่งนะพระโมกคัละนะก็เลยชมว่าโอ้โหนี่ยักษ์นี่ใช้กระบองตีแรงขนาดภูเขาแตกกระจายไปได้แต่ท่านยังบอกแค่ว่าเจ็บศีศรษะนิดหน่อยภาษาลีบุตก็บอกโอ้ท่านสี่เก่งปีศาจเล่นฝุ่นสักตัวเรายังไม่เห็นเลยท่านสามารถเห็นยักษ์ได้นะก็ต่างคนต่างชมกันนั่นแสดงว่าถ้าเราทำสมาธิเนยมทำจะคุ้มครองรักษาเรา และเราปรารถนาอะไรเนี่ยเราจะได้ตามผลของสมาธิที่เราได้ทำนะแต่ไม่ได้ได้มาจากก้อนวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่มีมนะมันทำให้เราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิเวลาแต่ก่อนอนะาตมาก็เด็กๆ ก, ก, ก็ห้อยผ้าเยอะเหมือนกันเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยผ้าสมเด็จที่พ่อให้มาแตกก็โอ้โหใจเสียสวยซะบ้งเนี่ยใช่ไความทุกข์เกิดขึ้นแกเราเข้าห้องน้าก็ต้องคอยถอดอลืมถอดนะ รอดร้าวก็ไม่ได้เงื่อนขายมันเยอะไปหมดเลยนะมีความทุกข์มากนะอ่าก็ตอนหลังไม่ได้ห้อยอะไรก็เกี้ยงเกี้ยงอเกี้ยงเกียงสบายดีนะก็มีมีรุ่นพี่ของพวกเราที่ไปทำงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ <c oughs> มาเยี่ยมมาตมาในข้ามวันสาวุ่นกันก็บอกอาจารย์ครับเนี้ผมไม่มีพระที่ก่อและเกี้ยงหมดเลยน ะ, ะฟังธรรมท่านอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตทุกวัน แล้ก็นั่งสมาธินะสวดอิทัพปยตากดปฏิจจสุบาททุกวันคือเดินตามผู้เจ้าเลยนะแล้วเขาก็เชื่อมัน่นว่นาธรรมะคุ้มครองเขามั่นคงในพระรัตนัยอย่างเงี้ยเป๊ะ เ, เลยอย่างเงี้ยก็อนุโมทนาเขาให้หนังสือให้ไหล่เข้าไปนะเข้าไป อ, อ่านต่อนะฮะแค่ขาดก็ไม่ไม่เจ็บกว่า ยิ่งไม่เข้าเหนียวนี่ยิงเจ็บ <c oughs> แต่ว่าปกติแล้วคนชอบชอบแคล้วคลาดมากกว่าอ <c oughs> ก็แสดงว่าถ้าเผลือปฏิบัติพษษษษษษษุทธวจนะน่าจะดีกว่าเนาะน่า <c oughs> จะดีกว่าผม <c oughs> เคยเห็นเพื่อนๆบอกว่ามันจ ะ, จะจะออกปั๊บมันมองลูกน้องแต่ละคนท้องชิงนล้วเนช้อนดูหน้าดูตาคนไหนไม่ดีไม่ให้ไปไปแล้วให้นอ น, นอย่างงี้นอ น, นอย่างงี้เพื่อขวางทางแต่ปรากฏก็ยังโดนบางทีมันเองพอลูกน้องเตะโดนปั๊บมันล้มไม่ทันหลังเต็มวเลย ขอฟีงทิงกันว้เงยเพราะฉะนั้นแสดงออกมาวันนี้ถึงจะเข้าใจว่าแทบคาดดีกว่าแทบคาดดีกว่าดีกว่าชมีสติด้วยใช่ไหมครับมีสติสัมปชัญญะคือมันจะหลุดลอดจากเหตุการณ์นั้นได้ไปเลยนะอ่าท่นี้อะไรที่เกิดเนี่ยเราจะรู้เลยอันนี้เป็นกรรมละนะอ่าคือถึงแม้อะไรก็ต้านทานเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมพระเจ้าไม่รู้เหรอว่าพระเทวทัตเนี่ยจะกลิ้งหินลงมาทําให้ท่านห้อเลือด ท่านมีบา ร, รมีสูงขนาดนี้แต่ก็โดนเพราะมันเป็นกรรมพระโมคคัลลานะมีฤทธ์เนี่ยทำอิทธิปฏิหารเป็นอัคราสาวกเบื้องซ้ายเลิศทางฤทธิ์ทาไมโดนโจนทุบตีตายกระจอกแล้วเกิน <c oughs> นะซึ่งจริงๆท่านก็ทําอิทธิปฏิหารหนีได้นะหลบได้แต่ท่านมาพิณานี้เป็นกรรมของท่านท่านก็ยอมรับไปนะอย่างนี้ดังนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถึงจะเป็นพระาราหันเลิศทางฤทธิ์ก็ไม่รอดนะอ่านะนะมีคุณวิเศษมากมาย นั้นถ้าเราเชื่อมั่นในกรรมเนี่ยเราความทุกข์ในชีวิตหมดไปเลยเบาสบายมากพระเจ้าจึงบอกความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนเศษดินที่ปลายเล็บนะพระเจ้าเอาปลายเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินมาถ้าถามสาวกว่าดินในมหาปฐพีกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกมหาปฐพีมากกว่าบอกเนี่ยความทุกข์ของโสดาบันหรือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียว เราจะไม่ต้องกังวลนีไปบนเจ้าที่หรื อ, อยังวันนี้เข้าป่าต้องไปไหว้เจ้าที่นั้นหรือเปล่านี่หรือเปล่าต้องกังวลเลยอยู่เฉยๆอยู่กับลมหายใจเราจเจริญอาณาปานสติผู้หญ้าบอกสถานที่ใดถ้าเธอต้องการให้สถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ให้เธอทําสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสในสถานที่นั้นยมไปอยู่ในค่ายนั่งสมาธิในค่ายนั่นแหลนะสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่อันเป็นทิพยนะ์มันจะปลอดภัยจากทุกที่ทุกเรื่อง นะทุกอย่างนะนะครับพระเจ้าถ้าเกิดสมมติว่าผมเคยได้ยินว่าแรงอ า, าักข่าสารสัตว์ชนิดไม่เหมือนกันอืมอย่างเช่นสมมุติว่าผมไปฆ่างูเคยได้ยินว่าแรงอักข่ า, าจากงูจะจะมากกว่าสาัตว์ชนิดอ๋อ ม, ม, มันอยู่ที่อุปทานของอของจิตนะ่ะนะอ่าใครมีอุปทานมากก็ก็ยึดมากนะอใครมีอุปทานน้อยก็ยึดน้อย นะซึ่งในสัตว์ประเภทเดียวกันอุปทานก็ไม่เท่ากันอย่างในหมู่มนุษย์ก็อุปทานความยึดมั่นถือมันก็ไม่เท่ากันอีกอย่างเช่นว่าเราฆ่าไปแล้วแตเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าวิญญาณของคนนั้นเขาขับคิดอ่าก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าบารมีสู้เราไม่ได้เนี่ยทําอะไรเราไม่ได้คนที่ถูกฆ่าได้เนี่ยบารมีเขามากกว่านะอืบารมีเขามากกว่าเรานะีนั้นถ้าบารมีมาก ถึงขนาดผู้เจ้าเนี่ยบา ร, รมีสูงสุดผู้เจ้าจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่ตายเพราะความพยายามของผู้ใดในโลกไม่มีใครที่พยายามจะฆ่าผู้เจ้าแล้วสาเร็จไม่มีทางถ้าผู้เจ้าตายจะตายเองนั่นคือบา ร, รมีท่านสูงสุดแล้ะหน้าที่เราคือทําบา ร, รมีของเราให้มากแล้วใครจะทําอันตรายเราไม่ได้นีมันก็มีเหตุให้รอดน่ะ <c oughs> ใครอ่ะคนเอกสพังกัลยนานมิตรอะไรสมัยก่อนอาตมาไปฝึกเขาเป็นร้อยเอกเขาก็เล่าให้ฟังสมัยเขาเป็นรบกระพอขอ กระโดดขึ้นรถจิปปุ๊บกุญแจหล่นพอดีพอก้มหยิบกุญแจกระสุนเปี่ยงทะลุเฉียดหัวไปนิดเดียวเห็นนะดวงมันนะ่ะนะจะลอดนะ่ะคนจะลอดนะ่ะยังไงก็ลอดอีกทีหนึง่งขับรถจิปไปเนี่ยพอคอคว้างระเบิดมาใส่ระเบิดตกอยู่ใต้เก้าอี้ขำระเบิดใหเลยคว่างกลับไป